อ่าพอาจารย์มาแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนิมนต์พระอาจารย์ขึ้นหน้าจอนะครับพระอาจารย์ครับจากธรรมศึกษานะผมเกลิ่คุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับพระอาจารย์ครับวันนี้เป็นการจัดรายการครบสองปีเต็มเลยครับพระอาจารย์กับอีกหนึ่งวันครับพระอาจารย์ครั้งที่หนึ่งร้อยห้าครับก็ไมนะ่ไม่คิดว่าจะมาถึงยาวในขนาดนี้นะ ครับอาจารย์ครัอาจารย์เคยบอกว่าจับไปเรื่อยๆใครเบื่อก็หยุดไม่ม่มีความเบื่อเลยครับอาจารย์ตั้แต่อนตพระอาจารย์ครับเรื่องสันเลขาธรรมนี้ตั้งแต่ตอนนั้นสองสัปดาห์ก่อนตั้งใจจะจัดกลอีกครั้งหนึ่งแล้วปรากฏว่าวันนั้นพระอาจารย์เป็นหวัดก่อนเลยวันนี้กลับมาจัดอีกครั้งนึงแต่ผมเป็นหวัดครับพระอาจารย์วันนี้ครับพระอาจารย์ ไม่ไม่มากครับแต่ว่ามีเสียงอาจจะเสียงตกไปหน่อยครับอาจารย์ก็เลยจะกราบขออนุญาตพระอาจารย์บางช่วงอาจจะขอจิบน้ํานะครับพระอาจารย์ครับอ่าเชิญตามสบายกราบอาจารย์ครับก็ทุกครั้งที่ผมฟังทำเรื่องสันเลขาธรรมก็จะรู้สึกรู้สึกใจเบาทุกครั้งเลยครับอาจารย์ก็เลยอยากขอความเมตตาพระอาจารย์อธิบายเรื่องนี้ให้เพื่อนเพื่อนได้ฟังอีกครั้งหนึ่งครับกับอความเมตตาพระอาจารย์ครับสันเลกระทําก็เป็นธรรมที่พระเจ้าทรงแนะนาให้ นักบวชคือพระภิกษุเวลาพบปะสนทานากนก็ให้สนทนานทำในสิบประการเกี่ยวกับเรื่องสิบประการนี้เพราะเป็นการส่งเสริมการปฏิบัติส่งเสริมการหลุดการหลุดพ้นจากความทุกข์ข้อที่หนึ่งก็คือเราไม่ใช้ภาษาบาลีเนี่ยว่าจาไม่ได้ข้อที่หนึ่งก็คือความมากน้อยความมากน้อยใน เ ป, ป็นปัจจัยสี่ของพวกของนักบวนอให้อยู่กินง่ายๆกินน้อยๆเอาเท่าที่จาเป็นมีเท่าที่จำเป็นกินเท่าที่จำเป็นมากน้อยเนี่ยเช่นตัวอย่างก็ชั้นเมื่อเดียวชั้นในบาทไม่ต้องมีภาชนะให้มันยุ่งยากวุ่นวายแล้วถ้าใชา้จีวรก็ให้ใช้หนึ่งาให้หนึ่ ง, ห น, งหนึ่งชุดก็พอ คือผ้าไต่สามผืนผ้านุ่งผ้าหม่มผ้าห่มกันหนาวนี่ใรีว่าผ้าไตมีสโลงจีวรและสังกะสีแล้วก็อยู่แบบเรียบง่ายอยู่แบบตามวีดามเกิดอยู่ตามคนไม้อาจจะทาทาเพลิงกัน ด, ด่ายางฝนเอาวบเอามาใบไม้เอากิ่งไม้มาทำนี่คือการอยู่ ของของนักบวชก็จะได้ไม่มาวุ่นวายไม่ต้องมาเสียเวลากับเรื่องของการดำรงชีพของนักบวชให้อยู่กันแบ บ, บน้อยไม่ต้องรู้ลาไม่ต้องพุ่มเคยประหยัดที่สุดผ้าก็ให้ไปเก็บผ้าจากป่าช้ามาตัดละเย็บ ก็ให้มีแค่เพียงหนึ่งสำรับก็พอหนึ่งชุดนี่คือตัวอย่างของความมากน้อยข้อที่สองก็ให้คุยเรื่องสันโดษสันโดดก็คือยินดีตามมีตามเกิดถ้าถ้าได้น้อยกว่าที่เราจำเป็นจ่องนีก็อยู่ก็อดทนไปเช่นไปบินาบาบบางวันอาจจะได้อาหารไม่พอไม่พอเพียง ก, ก็ให้ยินดีเท่าที่เราได้มา ไม่ต้องไปวุ่นวายกับมันอยู่ใบตาบีตาเกิดไม่ต้องไปรบควดชาวบ้านเขาไปไม่อาหาไม่พรอก็ไปบรบโวดไปขอขอลองให้ลองมาอาหารมาเติมให้อะไรทำนองนี้ก็เอาเท่าที่ได้ยินดีตามีตาเกิดในปัจจัยสี่ถ้าพายัางหาไม่ได้ก็รอไปก่อน ใช้ของเก่าไปก่อนด้นวยความบางทีท่านก็นิยมปะมันบาทีผ้าที่บอลของครูอาจารย์นี่ใ้เรารอยปะผ้าปะมันมากกว่าผ้าเดิมด้วยท่านใส่ขาดตรงไหนท่านก็มาปขาขาดตรงไหนท่านก็มาปาจนกระาถ้าผ้าที่มาปาเนี่มันมากกว่าผ้าเดิมดอวยทานใช้่างแบบตามมีตามเกิดทำไม่ค่อยวุยว่นวายกับเรื่องเรื่อง ปัจจัยีิไม่เหมือนคารวาวายานอ ย, อยู่ต้องแบรนด์เนมต้องอะไรกันนะต้องตังเก้ก็แบรนด์เนมเสื้อกับแบรนด์เนมมันมันวิเศษตรงไหนแบรนด์เนมก็ไม่แบรนด์เนมก็ดูดูเหตุผลว่าเราใช้เสื้อผ้าเพื่ออะไรก็เชื่อปกปิดร่างกายเอาไว้ว่าป้องกันภัยจากอากาศหนาวเย็นเรื่องแมลงสา์กัดต่อย แบรนด์เนมมันก็มันก็ป้องกันได้ไม่แบรนด์เนมันก็ป้องกันได้แบรนด์เนมนี่มันราคากี่เท่าของของตลาดนัดนะต้องไปเสียเงินมากทําไมเสียนั้นเมาต้องแสดงก็ต้องหามากก็ต้องเหนเหื่อยมากยุ่งยากมากเนี่ยที่พุทธเจ้าสอนให้ใช้น้อยใช้ตามมีตางเกิดจะได้ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการคุ้นควายหามันมา ให้ใช่ไปตามมีตามเกิดยินดีเันยกว่าสันโดษไปยินดีตามมีตามเกิดบางน้อยก็เอาเอาเท่าที่จําเป็นไม่เอามากกว่าที่จําเป็นเช่นแมายญาญโยจะถวายผ้าตายมาไม่รู้กี่กีําำรับก็ก็ไม่ไม่เอาเก็บไว้ใช้เอาบริจาคให้พระลูกอื่ไปหรือไปทำบุญที่ใช้ชุดเดียวพอมันจะได้ดี ผ้าน้อยไว้เสร็จแล้วใดเนยใ น, ในเราก็ต้องซักผ้าเราเองถ้ามีผ้ามากก็ต้องซักมากนถ้ามีผ้าน้อยก็สักน้อยใช้ของน้อยภาระการดูแลมันก็จะน้อยถ้ามีมากภาระการดูแลมันก็มากมันก็จะเอาเวลาของการปฏิบัติไปเรื่องน้อยสัตว์นี้เพื่อต้องการที่จะไม่ให้เราสูญเสียเวลาไปกับการ เลี้ดูร่างกายมากจนเกินไปจนทําให้เสียเวลาของการมาปฏิบัติธรรมในหนังสอนเรื่องมั่น้อยสันโดษในเรื่องของการบริโภคปัจจัยสี่ข้อที่สามก็คือให้พูดถึงสถานที่ปฏิบัติที่สงบวิเวกคุยกันว่าที่ไหนดีเขาลูกนั้นดีไหมป่าที่นั่นดีไหมอะไร พ อ, องไหนเคยไปได้ไหนมาก็มีประสบการณ์ก็เวลาพกปะกันก็สนทนาทถามๆกันเกี่ยวกับเรื่องเรื่องราวเหล่านี้เรื่องสถานที่ที่สงบสงัดไม่เวกแล้วก็ปรารถนข้อที่สี่ก็คุยเรื่องความเพียรวาวันหนึ่งเดินโยนกลมกี่ชั่วโมองนั่งสมาธิกี่ชั่วโมงอะไรทำนองนี้พูดถึงเรื่องความเพียรต่างๆวิธี ต่อสู้กับทุกขเวทนาเอ้ยอะไรเอย น, นี่เรียกว่าประลบเรื่องความเพีย่ยนข้อที่ห้าก็ประลบเรื่องเรื่องศีลว่าศีลรักษาบอยส่วนหรือไม่นำพอ้อยข้อไหนหรือไม่อย่างไรให้แก้ไขกันนี้ให้ช่วยกันแนะนำวิธีแก้ไขถ้ามีปัญหาพูดเรื่องศีล แล้วก็คุยเรื่องสมาธิาจิตรวมเรยยื่องจิตได้คณิกาเรืร่องได้ปนาเรื่องได้ปจารสมาธิคุยเรื่องสมาธิกันแลกเปลี่ยนความรู้กันแล้วก็คุยเรื่องปัญญาครับปัญญาละสามยศได้เรยยื่องละมีปัญญาละสามยศสามข้อแรกได้เรื่องสักกยะทิฏฐิปัญญาละ อีกสองข้อได้หรือย่างกามมาลาครับปฏิฆะแลว่าสามยุท์เรื่องบนใน้าอันนี้เราใช้ปัญญาที่ที่ที่ต่างกันในแต่ในแต่ละของสามยุท์สามยมุท์เป็นเหมนข้อสอบคําตอบ ข, ข้อสอบมันไม่เหมือนกั น, นวิธีที่จะละสามยชน์ต่างๆนี้คนที่มีประสบะการณ์ถ้าได้คุยกับคนที่คนที่ไม่มีประสบะการณ์ก็จะ ช่วยแนะแนวทางทําให้ผู้ที่ไม่รู้ไม่รู้ทางหรืออยางไปไม่ถึงจะได้มีคนเมืมีมีติลเตอร์บอกล่วงหน้ากันว่าต้องทำอย่างไรต้องพิจารณาอย่างไรอันนี้คุยเรื่องปัญญาเมแล้วคุยถึงปัญญาแล้วก็จะได้คุยเรื่องวิมุตเตเรื่องการอดทนเรื่องการบรรลุทางขั้นต่างๆนั่นคือวิมุตเต มรุสโดาปฏิมัสโดาปฏิผลนะกีดาคามีมัคสีดาคามีผลได้ไปถึงนะหรหัสตะบัตรรหัสตั้งนถึงนิพพานเรื่งวิบุติเรื่วิบุติเรองการท้นจากความทุกข์ในระดับต่างๆแล้วข้อสุดท้ายก็พูดถึงวิบุติญาณทัศนะคือญาณอย่างทราบว่าได้หลุดพ้นอย่างอย่างอย่างราบคาบอย่างร0อเอร์ อ ย, อยากทราบในตัวนี้ว่าทุกไม่มีอีกแล้วในใจของเราทุกจากสัมยชน์ข้อนั้นสัโยชน์ข้อนี้ไม่มีอีกแล้วเพราะอะไรนร้ละมันหมดแล้วได้กำจัดมันหมดแล้วนี่ก็คือเรื่องหัวข้อสันเลยกระทำศีลประการที่นักปฏิบัติผู้หรือผู้ที่สนใจการปฏิบัติธรรมควรจะคุยกัน อย่าไปคุยเรื่องการเมืองตอนนี้ใครจะเป็นนายกใครจะออกเสียงให้ใครเรื่องอะเหล่านี้มันไม่ไม่ไม่ดาไปสู่ความสงบอของจิตใจขึ้นดากลับดำไปสู่ความวุ่นวายความเครียดบางคนนั้กินไม่ได้นอนไม่หลับ <c oughs> แทนที่จะสร้างแทนที่จะดับความทุกข์กลับไปสร้างความทุกข์ ถ้าเกี่ยวเกี่ยวเรื่องการบ้านการเรีองเสรจ <c oughs> คิดอะไรต่างๆเหล่า น, นี้เพราะเป็นเรื่องของอนิจจังทุกขงังอนัตตาเรื่องราภยศเสร็จสมนี้เป็นเรื่องของของอนิจจังทุกขงังอนัตตาใครไปเกี่ยวข้องไปยุ่งด้วยก็จะจ ะ, จะต้องเจอกับความทุกข์ถ้าหลบหลีกได้หลีกเลี่ยงได้หลีกมันดีกว่า <c oughs> น, นี้ก็คือเรื่องเรื่องของ หัวข้อธรรที่นักปฏิบัตินักบวชโดยเฉพาะนักบวชควรจะพูดกันเวลาที่เราเห็นภาพในหนังสือที่มีครูบาอาจารย์ท่านพกปากกันเนี่ยมันจะเขียนว่าท่านสนทนาธรรมกันทำไมถ้าไม่เขียนว่าท่านกําลังสนทนาเรื่องเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรท่านจะสนทนาธรรมกันครับก็ก็เป็นเรื่องที่ พระอาจารย์สอนพวกเราอย่างเดียวเลยนะครับพระอาจารย์ทันเลขาธรรมนี่คือเรื่องที่พระอาจารย์พูดมาโดยตลอดโดยที่เราไม่ได้กล่าวถึงชื่อว่าเป็นสันเลขธรรมแต่ก็เป็นเรื่องเรื่องความจาเป็นในการปฏิบัติเพื่อเพื่อส่งเสริมการการบุดพลการบรรลุธรรมแล้วเราไปทำเหล่านี้ แล้วเราค า, ารวะญาติโยมพอจะใช้ประโยชน์จากสันติกรธรรนี้ได้ไหมครับอาจารย์ครับก็ได้เวลามาปฏิบัติธรรมเจอกันก็อย่าไปคุยเรื่องเรื่องการ้านการเมืองเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรถ้าคุยว่าเป็นยังไงนั่งสมาธิสงบไว้วิธีที่คุณสงบทำอย่างไรเพื่อเราจะได้ข้อคิดจากเขา่เขาสงบอย่างไรเราไม่สงบน่าจะได้ ยังจนคนต้องเดินมากเดินน้อย mm hmm. นั่งมากนั่งน้อยแต่และคนอาจจะมีประสบะการณ์ไ mm hmm. ม่เหมือนกันก็เอามาแชร์กันได้มาแบ่งปันกัน mm hmm. เพื่อคนที่ยังไม่ได้ปฏิบัติก็าจะเอาไปลองปฏิบัติบางคนก็บอกอดอาหารนี mm ้บางคนอดอาหารเราไม่เคยอดเราเคยถามอดแล้ ว, วได้อะไรบ้างทำไมถึงต้องอดอะไรอ่เีมันก็เป็นเรื่องการอถ่ายทอดความรู้ให้ คต่อคันเลยครับอย่างกดอาหารที่เป็นความมัดน้อยสันโดษอย่างนี้ใช่ไหมครับอาจารยมันก็เป็นแต่มันมันเป็นอุบายสําหรับการที่เราจะใช้กระตุ้นความเพลินอ๋อคือปกติถ้าเรารับประทานอาหารตามปกติเวลาเท่ามันอิ่มแล้วมันจะขี้เกียจนะมันใจะมันไม่อยากจะยังจะกลบนั่งสมาธิมันก็อาจจะขอพลาพาทก่อน เขาจะเสียเวลาการปฏิบัติแต่ถ้าอดอาหารเนี่ยมันมันจะทำให้เกิดอาการหิวตลอดเวลามีความทุกข์ทุกขเวทนาทางร่างกายแล้วก็ไปกระตุ้นทำให้เกิดทุกขเวทนาทุกทางใจเกิดจากการหาความอยากสาระัานานมันก็เลยจ ะ, จะต้องบังคับให้เจริญสติเพื่อรับความทุกขทางใจอยู่ไม่ได้อยู่เฉ ย, ยเฉยไม่ได้ ต้องเดินจงกรมต้องนั่งสมาธินะครับความคิดปูกแตกให้ได้เพราะใจมันจะคิดแต่เรื่องอาหารเวลาที่มันอดนะาอาหารยังไม่ได้กินอาหารโดยทําให้เกิดความหิวขึ้นมาทําใจด้วยหิวทางกายแล้วยังหิวทางทางใจซึ่งรุนแรงกว่าความหิวทางทางร่างกายเวลาอดแล้วมันจะทําให้ต้องหาวิธีกำจัดความทุกข์ทางใจให้ได้ ด้วยการใช้สติหรือใช้ปัญญาใช้สตกิก็เนี่ยพยายามใช้ควบคุมใจไม่ไปคิดถึงเรื่องอาหารถ้าจะใช้ปัญญาก็ให้พิจารณาปฏิคุณของอาหารดูเวลาที่อาหารมันเปลี่ยนสภาพจากอาหารที่อยู่ในใจเมื่อมันเข้าไปสู่ในร่างกายแล้วหน้าตาของมันสภาพของมันเป็นอย่างไรเวลามันขับถ่ายออกมาเป็นอย่างไรให้นึกถึง ปฏิกูลกองอาหารพอมันนึกถึงปฏิกูลแล้วความอยากกินอาหารมันก็จะหายไปความอยากกินมันเราบ้าจะอยากเมื่อเราไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานใช่ไม้มที่เพิ่งออกมาจากเตาสดๆร้อนๆควันยังลอยอยู่แต่เ้าคิดว่ามันเวลามันออกมาจากร่างกายแล้วนี่มันเป็นอีอย่างหนึงนะ่งเป็นไส้กอก มันก็จะทําให้ความอยากกินอาหาราหายไปเลยแล้วต่อไปมันจะควบคุมเรื่องความเรื่องเรื่องการรับประทานอาหารได้อย่างอย่างดีเลยต่อไปถ้ามันยังไม่ถึงเวลามันจะไม่ไม่กล้าคิดถึงอาหารเมือคิดถึงอาหารเมื่อไหร่เราก็ใช้ใช้ปัญญาคือพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารเข้ามาะระลับมันกันทีครับผมมันต้องมีอะไรมากระตุ้นคือทุกบทมีปัญญาบอกเกิด ของการปฏิบัติถ้าเราอยู่สุขสบายมันมันมันก็จะมันก็จะไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเพราะมันไม่มีทุกข์ถ้าเรากินอิ่มมี อ, มอาหากนินก็ไม่มีความทุกข์มันก็เลยไม่จาเป็นที่จะต้องเจงริญสติใช้ปัญญาระหนักระับความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้กินอาหารได้วออย่างหนึง่ง ถ้าถ้าอยู่ที่วัดอย่างตอนที่สมัยที่อยู่ที่วัดหลวงตาเนี่ยเวลาจะฉันอาหารก็ต้องออกมาทํากิจล่วมกัน <Yeah. S 1> มาพิ บ, บาลมาฉันอาหารที่ศาลามาทำความสะอาดอะไรกว่าจะเสร็จองบวชไปหลายเชื่วโมงตั้งแต่เช้าถึงอาจจะถึงสิบโมงเก้าโมงสิบโมงถึงจะกลับไปที่พักไปปฏิบัติแล้วก็จะมันก็จะไม่ค่อยอยากจะปฏิบัติเพราะว่ามันเพิ่งกินฉันอาหารมาอยู่งมันว่าจะ นอนไม่เปพักผ่อนก่อนก็อาจจะเสียเวลาไปครึ่งวันกว่าจะพร้อมที่จะปฏิบัติก็ตกบ่ายถ้าอยู่ที่บ้านตัดถ้าอยากจะไม่ออกมาเกี่ยวข้องก็อดอาหารถ้าอนุญาตไม่ไมออกมาเกี่ยวข้อมไม่ต้องมาทํากิจไม่ต้องไปบินนาบาไม่ต้องไปก็มีเวลาวิเว่ตลอดอย่างต่อเนื่เลยไม่ต้องมาเกี่ยวข้อง แต่นขึ้นมาก็สามารถเดิอนจยกม น, นั่งสมาธิภาวนาต่อได้นี<ำ>่มันที่เราทำให้ถ้าอยากจะเร่งความเพียรอยากจวมีเวลาปฏิบัติก็มักจะอด อ, อาหารกันนะสมัยก่อนบ้านตาหนาวไหครับอาจารย์เห็นครูบาอาจารย์อยู่บอกมีอุณหภูมิลดลงเยอะเลยใช่ไหมครับสมัยก่อนก็มันก็หนาวตาม ต, ามตามเวลาขอา ง, หาางเหมือนปีก็หนาวมากปีก็หนาวหนาน้อย เคยจำนด้นปีหนึ่งเราลงมาบาสักหกหกสามต่อเจ้าเดินมินทบาลนี่ต้องเดินท้าปากเนี่ยเราถนอนเป็นถนอนนุ่มๆเนี่เหมือนเดินหยิบก้อนก้อนกรวดเนเป็นเหมือนก้อนก้อนน้ำแข็งเดินเดินหยิบก้อนน้ําแข็งแต่ครูบาอาจารย์ท่านเดินเราก็ต้องเดินตามท่านานัให้ใช้ปัญญาให้สติสู้กับทุกขเวทนาที่เกิดจากการที่เราไปหยียบของเย็นพื้นเย็นเน่ย มันก็ดีทำใการกระตุ้นสติคือต้นปัญญาให้ทํางานปกตินี่กิเลสมันจะแย่งไปทํางานทั้งหมดถ้าอยู่สุขสบายกิเลสมันจะเป็นตัว ก, ก็จะกระตุ้นให้คิดไปทางกิเลสแต่ถ้าทุกแล้วเนี่ยมันต้องมันต้องคิดทาปัญญาทางสติเพื่อที่จะได้ต่อสู้กับความทุกข์ที่อยากจ ะ, จะ เกีสภาพที่เป็นความทุกข์ยากมามาันบากเวลาร่อนก็ร่อนที่อนอนก็สี่สิบโอ้โไปที่สี่สิบบางทีถ้าลงมานั่งมันอยู่ใต้ถุนศาลานี่มันยกยกยกยกย ก, ยกพิ่มขึ้นมาประมาณชั้นเมต ก, กว่าช่วงบางทีร่อยก็ต้องมานั่งสมาธิใต้ใต้ถุนนะหรือแม้เร็จไปนั่งสมาธิที่เข้าสร้างไว้ในแค่ในป่ามันมีต้นไม้ ปบคุมเดียวกัน็ยังไม่ค่อยรอเท่าไหร่ครับได้ความได้ความรู้มากเลยครับอาจารย์ครับกลาวขอบพระคุณนะครับ mm hmm. ผมจะปฏินำไปปฏิบัติต่อไปครับมันปฏิบัติอย่าไปกลัครับทุกข์ถ้ากลัวความทุกข์แล้วยากต่อการที่จะก้าวหน้าฝันฝ่าความทุกข์ได้ต้อ ง, กกม ไ, งไม่กล mm hmm. ัความทุกข์ทาง่างกาความทุกข์ยากลำบากทางร่างใจนี่ถือว่าเป็นเหมือน ตัวกระตุ้นให้เกิดค่าเจริญทาสติทางปัญญาขึ้นมาผมขอโอกาสถามจากเพื่อนๆบ้างนะคะอาจารย์ครับคุณสมพรครับบอกว่าดูเหมือนว่าคนเราทุกคนเกิดมาเสมือนตอนแรกมีรักโลภโกรธหลงมีขี้เหนียวมีงกทำไมถึงเป็นเช่นนั้นครับเพราะมันเป็นงานต่อเนื่องจากจากจากจิตที่ที่ตายจากร่างกายเก่าร่างกายเก่าจิตของเราตอนที่ ก่อนที่ก่อนที่เราตายเนี่ยมันก็มันก็มีอะไรมันก็มันก็ติดมากับจิตเราหมด น, นะถ้าเราเคยงอกมันก็งอกมันถ้าเราเคยโลกมันก็โลกแต่ไม่เหมือนทุกคนหรอกจิตบางคนจะงอกน้อยบางคนจะงอกมากบางคนงก็โลภมากบางค น, ง ก, งคนงก็โลกน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับมาแต่ละคนนี่ได้ปฏิบัติธรรมมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยเขางพวกนี้เราเรียกว่าบาเรเม่ที่มันจะติดตัวมา ทานบารมีศีลบารมีนี่คัมมาบารมีอันนี้เป็นฝ่ายดีถ้าฝ่ายไม่ดีก็คือความโลภความโลภโกรธของความโง่ความเห็นแก่ตัวอะไรนี่มันก็เป็นเรื่องของทำฝ่ายกิเลสมันก็จะติดมา ม, มันไม่ตายไปกับร่างกายที่ตายไปเพราะมันอยู่ในจิตมันได้อยู่มันไม่ได้อยู่ในร่างกายพอมาเกิดมันก็เลยมีคุณะมีคุณสมบัติไม่เหมือนกัน พี่น้องอยู่บ้านพ่อแม่คนเดียวกันแต่คุณสมบัติไม่เหมือนกันนิสัยใจคอไม่เหมือนกันเพราะใจใจที่มามาครองร่างกายที่พ่อแม่สร้างให้นี่มันมาจากคนละที่ไม่ได้มาจากพ่อแม่คนเดียวกันร่างกายนี้มาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่ใจที่มาครอบคลองร่างกายนี้มันมันมาจากหลายโยมเลยนครับแล้วใจแต่ละโวมนี้ก็ สร้างบุญสรางบาปมากมากเอาไว้ถลายก็ไม่มีใครรู้คุณปียพนครับฝึกสมาธิทุกวันเห็นเกิดความเบื่อนในบางครัง้งแก้อย่างไรดีคะก็คิดว่าเม็การรับประทานอาหารก็แล้วกันถึงเวลาต้องรับประทานอาหารก็รับประทานบางวันเบื่อไม่อยากจะรับประทานาาก็รู้ว่าถ้าไม่รับประทานเดี๋ยวก็จะหิวจะทุก อันนี้ก็เหมือนการคิดว่าการทำสมาธิเป็นการให้อาหารกับจิตใจให้ความสงบให้ความสุขวันไหนเราไม่ทําเราก็จะขาดแล้วอีกอย่างหนึง่งเมื่อวันนี้ไม่ทําพรุ่งนี้ก็จะอยากไม่ทําต่ออมันจะเพิ่มเป็นนิสัยแล้วจะทำให้การนั่งสมาธิยากขึ้นเรื่อยๆถ้าเราถ้าเราหยุดบ่อยๆเราไมต่ต้องต้องต้องมักต้องใช้ควา ม, ายวามพยายามมากกว่าเดิม ถ้าเคยทําแล้วทําต่อมันก็ได้พอไปหยุดแล้วกลับมาทําใหม่เนมันเหมือนกับต้องมันกับถอยหลังไปแล้วต้องเดินก้าวขึ้นมาข้างหน้าไปอย่าคิดอย่างนี้ว่าทําไปเถิดจะสวบไรึสวบเมื่อถึงเวลาก็นั่งดูลมก็ดูไปดูไม่ได้ก็สวดมนไปแล้วทำอะไรไปฝืนต้องฝืนการปฏิบัติถ้าปล่อยให้เป็นปล่อยตาละลมมันก็จะขึ้นขลงลงเนี่ย ดมดูขู่ขันจะไปไม่ถึงไหนวันไหนไม่อยากปฏิบัติเบื่อก็ไม่ทําำรอให้เราไม่ใช่อาจจะเบื่อเฉพาะวันนี้บทีวันนี้เบื่อแต่พรุ่งนี้มันก็ติดใจพรุ่งนี้ก็เบื่อตามไปก็ได้มันก็อาจจะทําให้เราเอโมเมนตัมของการปฏิบัติมันมันอ่อนลงพลังที่คอยผลักดันให้เราปฏิบัติมันก็จะอ่อนลงทําให้การปฏิบัติแต่ละครั้งได้ยากขึ้นลำบางขึ้น แต่ถ้าเราปฏิบัติทุกวันโมเมนตัมนี่มันจะมีมากมันก็จะทำให้ง่ายอันนี้ก็เมน n t a l ม y mental, mental momentum เ <Okay. S 2> ข้าใจไหมก็ว่าโมเมนตัมนี่เข้าใจครับเรบาเคยทำอะไรไหมมันก็จะมีพลังคอยผลักดันให้เราทำต่อ คุณแคทครับพอมีเรื่องเกี่ยวกับพระที่มีชื่อเสียงทําการโกงเงินวัดทําให้หมดศรัทธาในการทำทานทาบุญแล้ะจะทําบุญอย่างไรดีเจ้าคะมันไม่เกี่ยวอะไรกันหน่อยท่านก็บอกมันก็มีคดโกงอยู่ทั่วประเทศมันทั้งพระทั้งทั้งอะไรเหนหน้าการเมืองโกงแล้วก็ทําไงนะทําไม่ไปเลือกเขาเข้าสภานะเราก็ยังต้องเลือกเขาอยู่ดีนะเราก็พยายามเลือกคนดีไปเมื่อรู้คนนี้เขา ไม่ดีเราก็อย่าไปทําบุญกับเขาแต่พระองนี้ไม่ดีเราก็อย่าไปทำบุญแล้ ว, ลลวพระที่ดีมีต้องเยอะแยะไปแล้วก็ไปทําุต่อไม่ใช่เห็นคนเดียวเห็นปลาทูเน่าตัวเดียวก็ผ่านว่าเน่าไปทั้งเข่งเอย่าปลาเน่าตัวนั้นก็เลือกปลาเน่าทิ้งไปตัดม่หลอกไปจากเข่งไม่ใช่เทไปทั้งเข่งเลยปลาดีๆยังมีอยู่ต้อเยอะแยะอย่ใช้ปัญญาอย่าใช้อารมณ์ครับคุณศักดิ์สิทธิ์ครับ ชอบนอนดูไลฟ์สดทำมาเป็นบาปเป็นโทษไหมครับมันมันทําให้เราขี้เกียจทําให้เราไม่นั่งสมาธินอนแล้วมันจะทําให้เราหลับมันจะง่วงง่ายแล้วมันจะทําให้เราหลับฉั้นควรจะนั่งฟังโดยจะเฉพาะการฟังธรรมนี้ท่านถือว่าต้องให้ความเคารพการให้ความเคารพก็คือเราต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมไม่ใช่นอนฟังยกเวน้นว่าถ้าเราไม่สบายอันนี้ก็เป็นกรณียกเวน้น ถ้าเราสบายเป็นปกติคนแสดงธรรมเาอุสานนัแสดงให้เราฟังเรายังบุทานมาขี้เกียจนอนฟังอย่างว่าเราจะเป็นคุนนานไม่ขนาดไหนกันคนแสดงธรรมท่านครูอาจารย์ท่านปฏิบัติธรรมมาอย่างยากเย็นกว่าท่ า, านจะได้ธรรมม า, ม า, มาสอนเราเอา ก, กับไม่คุณค่าเห็นค่าวสําคัญไม่ให้ความเคารพนอยในขณะความธรรไปเนี่ยมันไม่เ ห, หมาะสม คุณสมพรครับอยากอ่านหนังสือธรรมะของพระอาจารย์ที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายชัดเจนไม่เยินเยอะหาได้อ่านหาอ่านได้จากที่ไหนครับก็ไปดาวน์โหลดจากที่ที่เว็บของเราพะสุชาติ t com ที่เป็นมีภาษาอังกฤษก็ไปทั้งละภาคภาษาอังกฤษราไปที่หนังสือบุ๊กเนี่ยแล้วก็มีหนังสือให้เราดาวน์โหลดเป็น pdf ไฟล์มาอ่านได้ p ระ s ุาชา d t com <c oughs> คุณมาริษาครับ <c oughs> สุขภาพร่างกายเจ็บป่วยต้องพึ่งคุณหมอเป็นโค้ชและถ้าสุขภาพจิตใจเจ็บป่วยหรือเกิดความทุกข์ต้องพึ่งทำและพระอาจารย์สุปฏิปันโนเป็นโค้ชใช่ไหมเจ้าคะใช่ก็ครูบ า, ญญาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ที่รู้รจักวิธีอรักษาสุขภาพจิตใจเมื่อเรามีปัญหาเราก็ต้องไปหาคนที่เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญในในด้านนั้นทางร่างกายเราก็ไปหาหมอท่านมาเข้ามาฟัง งบคุณหมอแนะนำวิธีรักษาสุขภาพต่างๆถ้าไม่สบายใจก็ลองไปฟังไปฟังธรรมะของครูบาอาจารย์ต่างๆที่เราศรัทธาหมอยังป่วยเลยครับอาจารย์คุณสมพรครับธรรมะหลักๆที่ควรน้อมนำใส่กล้าวเพื่อการปฏิบัติคือหลักธรรมะข้อใดดีครับก็สติเนี่ยะเป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงตัดมาเป็นธรรมที่สาคัญที่สุด ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือสติทำทั้งหลายนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีสติถ้าไม่มีสติเนยเมาเหล้าอย่างนี้ก็ทําอะไรไม่ได้ทําบุญก็ทําไม่ได้ไปใส่หมาดก็ใส่ไม่ได้ไปนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้ทำเทศทำธรรมก็ทําไม่ได้ยิ่นี้พยายามฝึกสติให้มากมาสตินี้เป็นธรรมที่สําคัญพระุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบว่าสตินี้เป็นเหมือนรอยเท้าชา้าง ความสําคัญของสตินี่ยิ่งใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในปา่ารอยเท้าช้างได้ครอบหมดเลยสติก็ความสําคัญของสติก็ยิ่งใหญ่หมากนั้นนั้นถ้าจะฝึกอะไรฝึกสติเนี่ฝึกสตินี้สดินตายขึ้นมาก็พุโทโธพุทโธเราทําทั้งวันไม่ได้เลยพุทท่พุทพโธไปทั้งวันจะเป็นมันจะเป็นยังไง เราตั้งใจตั้งอธิษฐานจิตว่าวันนี้จะท่องนะพุโทโธไม่เอาให้คิดอะไรวันที่เราหยุดทำงานไม่ต้องทไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครแล้วพองพุพโทโธไปทั้งวัตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลืมตาขึ้นมาก่อนจะลุกขึ้นก็พุโทโธเลยลุกขึ้นมาไปทำภารกิจส่วนตัวกับพุโทโธพุโทโธไปรับประทานอาหารก็พุโทโธไปทำงานหน้าที่กวัญบ้านถูบ้านเลื่กยตับปาซาอะไรก็พุโทโธพุทโธไป เอาสักวันไม่ได้เลยลองตั้งตั้งเป้าวันจะไปวิ่งมาเราถอยก็ยังทํามันได้ตั้งเป้าวันจะไปแข่งจั ก, กรยานก็ยังทํามันได้แต่ตั้งเป้าว่าจะพูดโทสักวันหนึ่งมันทําไม่ได้เลยไหนมันยากเย็นตรงไห น, นยังไงคนเรามันไม่มีอะไรท้าทายตัวเองบ้างลองท้าทายตัวเองบ้างหนึ่เอาวันนี้กูจะไม่ทําอะไรจะพูดโทอย่างเดียวจะอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับใครหรือถ้ายุ่งเกี่ยวข้องก็จะจะเกี่ยวข้องใน้อยที่สุด เอาเวลามาพูดทธัวพุทธัวทั้งวันดยแต่มันจะทําไม่ได้นะแค่นี้มันยากเย็ยนตรงไหนวะกับคําบริการมพดทธัวกับเดี่ยวนี่ยเนี่ยถ้ า, าจริงจรางจริงเนี่ยดีไม่ดีจิตรวมในวันนั้นเลยก็ได้เชื่อมั้ยครับผม ค, คุณอ้อนครับการนมัส ก, การพระอาจารย์ค่ะการที่เราต้องทํางานอยากให้งานที่เราทํานั้นดีและกังวลว่างานจะออกมาไม่ดีกลัวจะโดนตําหนิ ถ้าโดนผู้อื่นตําหนิหรือเราทําผิดจะทําให้คิดมากนะฟูงซ่านอย่างนี้เป็นเพราะเรายึดติดมากเกินไปไหมคะควรปฏิบัติอย่างไรเพื่อไม่ให้ทุกข์คะกับความเมตตาครับเพราะเรามีปัญหาความอยากเกินความเป็นจริงเราอย่าเอาความอยากมาเป็นที่ตั้งเราเอาความเป็นจริงมาที่ตั้งเรามีหน้าที่ทําอะไรของเราเราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ตามกําลังสติปัญญาของเราผลออกมาอย่างไงเราก็ต้องยินดีแลายอมรนะับถ้าคนอื่นเขา ไม่พอใจก็เป็นเรื่องของเขาที่เราก็ต้องยอมรับเขาอยากจะตำหนิครับเป็นเรื่องของเขาถ้ามันเป็นความถูกความจริงว่าเราฝีมือไม่ถึงเราก็ต้องยอมรับท่านเองถ้าเรายอมรับความจริงแล้วเราจะไม่ทุกข์คือเรามันไม่ยอมรับความจริงเราจะไปตั้งเป้าอยู่ที่ความความอยากของเราอยากให้มันดีอยากให้คนเขา uh, ไม่ตำหนิ κα, อยากให้คนเขาชั้นละเสริเพะ ทำแล้วมันไม่ได้เป็นไปผลมันไม่ได้ออกมาอย่างนั้นก็มันก็เสียใจขณะที่ทํำก็กังวลนะต้องยอมแล้วว่าเรามีความคิดความสามารถในระดับของเราแล้วก็ทําว่าเราให้เต็มที่แล้วผลออกมาเท่าไหร่ก็เท่านั้นเช่นถ้าเราเรียนผลออกมาได้แค่สองจุดศูนย์ก็ก็ยอมรับว่ามันสองจุดศูนย์ใครจะมาชมหรือยันมาด่าก็ต้องน้อมก็ก็ก็ปล่อยก็ด่าไปว่าไป แต่เราก็ทําเต็มที่ของเราแล้วล่ะเราก็เราจะไม่ทุกไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ฟุง้งซ่านเพราะเรารู้ว่านี่คือศักยภาพของเราถ้าอยากจะได้ดีกว่านี้ก็ต้องหาวิธีอาจจะต้องหาไปเรียนพิเศษหรือทำอะไรเพิ่มเติมก็อาจจะมีโอกาสที่จะปรับปรุงตัวเองได้คุณอัชาราครับถามว่าการเล่นการพนันนั้นจะอนุโลมในศีลข้อใดได้บ้างไหมคะ การมานานนี่อยู่ในกลุ่มขออบายมุเป็นเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนการกระทำบาปอีกทีหนึ่งเพราะว่าเมื่อเล่นการมานานไม่ช้าก็เร็วก็ต้องต้องเจงเพราะว่าเวลาได้ก็ก็อยากจะเล่นต่อจะล่าใจพอเวล า, นานเสียก็อยากจะเอาคืนเล่นไปเล่นมาเนี่ยมันก็หมดหมดนะทีนี้เงินหมดก็ ไม่มีเงินแต่ก็ยังอยากจะเล่นอ ย, อยากจะได้คืนเดี๋ยวก็อาจจะไปโกกไปยืมเงินคนอื่นมาเล่นทา้งๆที่ไม่รู้ว่าจะเอาคืนเขได้หรือไม่อันนี้ก็ผดแล้วพ อ, อยืมเงินคนเข้ามาแล้วก็วเล่นหมดอีกก็ทีนี้ก็เท่ากับขโมเงินกขาแล้วโกหกเาแล้วอันนี้คือผลที่เกิดจากการเล่นการ น, นั้นจะนําไปสู่การกระทำบาปต่อไป คุณมนธนาครับโกหกแบบไว้ลายก็ผิดศีลบาปอยู่ดีใช่ไหมคะถ้าไม่เป็นความจริงมันก็มันก็มันก็ผิดแต่มันก็ไม่ใช่เป็นความจริงตรงไปตรองมาอย่ามาอย่ามาถ้าอยากจะพูดโกหกสีขาวก็พูดไปแต่ก็ต้องยอมรับผลของมันกแล้วกันว่ามันก็เป็นบาปมันก็เป็นบาปมันก็เป็น คุณสมพรครับธรรมะของพระพุทธเจ้าลึกซึ้งอุดมไปด้วยปัญญาที่เชื่อมต่อสัมพันธ์กันได้หมดไปทั่วทําอย่างไรให้มีปัญญาเชื่อมต่อองค์ความรู้ได้ทั่วถึงและจะทราบได้อย่างไรว่าเชื่อมต่อได้สัมพันธ์กันถูกต้องครับก็เนี่ยาำตามขั้นตอนขัน้นตอนแรกฝึกสติให้ฝึกสติให้นั่งสมาธิให้กิดดวงให้มีโอเบคาแนละ้ทีนี้ก็แล้วออกคิดทางปัญญาพิจารณาหลักอ ร, ริยสัจสี่ใจรักมันก็จะเชื่อมต่อกันไป ขอบทุกสิ่งทุกอย่างคุณมาริษาครับตอนนี้มีไลฟ์โค้ชที่เป็นคนธรรมดาแต่ปิเซนตัวเองว่าเป็นผู้อยู่ในสีในทำชักชวนผู้ที่หลงเชื่อจนเกิดความเสียหายอยากทราบว่าทำไมถึงมีผู้ที่หลงเชื่อคนธรรมดามากขนาดนั้นแต่ไม่ยอมเชื่อฟังคำสั่งสอนของตาคตเจ้าคะคือคนบางกลุ่มนี่เขาไม่อยากจะเข้าหาเพราะรว่าเข้าหาพระนีรู้ึกมีขั้นตอนยุญญ่งยาก ต้องกราบต้องไหว้ต้องมีอะไรแล้วก็วิธีของพารก็อาจจะล้าสมัยไม่ท่สมัยไม่เหมือนกับวิธีของคาราวาสที่เขามีแผนเขามีวิธีหางเงินเขากล้าลงทุนจัดการสัมมนาในโรงแรมจัดอาหารที่ถูกปากถูกคอที่ปฏิบัติเพืโอโอารทันสมัยทำให้เป็นการชักจูงใจให้ผู้ที่มีความ สุดพวกที่เขามีฐานะเงินทองเยอะเขาก็ยินดีที่จะจ่าย เ, เพราะว่ามันมันมันนำนย้ยเขาคิดว่าจะให้เขาได้ผลนะการปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบสบายเหมือนไปจัดในโรงแรมอะไรเงี้ยโรงแรมห้าดา ว, วก็ทุกอย่างนี่พร้อมมูลในหมดแล้วก็มีโค้ดมาสอนวิธีปฏิบัติเท่านั้นเองแต่ตามหลักทำจริงๆแล้วทำมันไม่ค่อยเกิดกับ สภาพแวล้มที่มันสบายหรอกมันจะได้เกิดในสภาพที่อย่างที่คุยอย่างที่มันต้องทุกข์มันต้องทุกข์มันต้องกันดานมันต้องอัตคัดมันต้องทุกข์ยากลําบากทํามันถึงจะเกิดเนี่ยที่มันสุขมันสบายนั้นมันเป็นที่เกิดของกิเลสมากกว่าที่เกิดของธรรมแต่พวกที่ปฏิบัติที่เขาไม่เรียนเขาไม่รู้ไงว่าอะไรเป็นอะไรไหนเมื่อมีโค้ดมีคนมามามาโฆษณามา แล้วก็มาเชื่อนะบางทีเขไม่ไม่ได้ไปปฏิบัติทําเพื่อทำหรอกใช่ไหมเขาไปปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตเขาเจริญเข้าวหน้าในราบยศสารเสริจกันถ้าลงทุนก็หวังว่าจะได้จะได้กําไรจะได้กิจการเข้าวหน้าลุ้งเลยทำกิจอะไรเพราะมีมีธรรมะคอยผักนั้นก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้แต่คจริงมันไม่เกี่ยวกันเลยเรื่องทางทางโลกการปฏิบัติธรรมนี้ไม่ได้หวังความเจริญทาง ทางหน้าวิสระเสริญสุดเลยการปฏิบัติธรรมนี้หวังความเจรินทางด้า น, นมรรคผลที่ผ่านแต่คนไม่ได้ศึกษาธรรมะ ก, กันก็ทกกุกลายเป็นเยือกายเป็นเยื่อของพวกนี้คุณพัชรินครับเรียนถามพระอาจารย์ก่อนพี่ชายจะเสียชีวิตได้ฝากเงินไว้และสั่งเสียให้น้องนําเงินจํานวนนี้ไว้ทําบุญไปให้ด้วยพี่ชายจะรับบุญที่น้องทําไปให้หรือไม่คะ เอือมันก็พูดยากเพราะว่าเขาไม่รู้แล้วว่าเงินก้อนนี้เราไปทําให้เขาหรือเปล่าถ้าเขาอยากจะได้บุนเขาควจะทําตอนที่เขายังไม่ตายตอนนี้สั่งเขาบสั่งเขาก็ให้เขาก็บอกให้เขาไปทําให้เลยแล้วให้เขามาบอกว่าทําเสร็จได้ทำด้วยอย่างยิงดีกว่าเขาจะได้รู้แต่ถ้าถ้าเขาตายไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะติดต่อเขาบอกเขาว่าได้เอามันที่เขาสั่งไปทำบุญให้กับเขาแล้ว ยังถ้าเขาอยากจะทําบุญให้ทําให้เขาทาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ตา ย, ยอย่างเงียอย่าไปสั่งเสียว่าให้ตายแล้วเขาไปทําะบางทีไม่รู้ว่าเขาเขาจะทำตามหรือไม่ใช่ไหมบางที<ม>เขาอาจจะเห็นว่าตายไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วพอดีเรากำลังขาดเงินพอดีก็ขอยียใชาไปก่อนคุณมาริสาครับ ตอนนี้มีคนรุ่นใหม่ออกมาพูดทักชวนว่าพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดมีหน้าที่มีภาระรับผิดชอบที่ทำให้พวกเขาเกิดมาไม่จำเป็นต้องกระตันยูรู้คุณหรือต้องตอบแทนบุญคุณของพระขอพระอาจารย์พิจารณารมสักข้อเพื่อเป็นประโยชนต์ต่อลหลายคนขอความเมตตาครับมันก็เป็นทฤษฎีในโลกนี้คนเราก็สามารถสร้างทฤษฎีอะไรต่างๆขึ้นมาได้มากมายแต่ทฤษฎีแต่ละทฤษฎีนี้ มันได้รับการพิสูจน์จากการปฏิบัติได้ยางว่ามันดีหรือไม่ดีการที่คนเราไม่มีความกระตันยูกับคนที่มีความกระตันยูนี่อย่างไนจะดีกว่ากันมันพิสูจน์กันได้ใช่ไหมถ้าคุณหมอต้องช่วยเหลือคนที่ไม่มีความกระตันยูกับช่วยเหลือคนที่มีความกระตันยูคุณหมอจะเลือกชืวอใครใช่ครับเลือกคนที่กระตันยูก่อนครใช่ใช แต่แค่นี้แหละมันไม่ต้องไปถกไปเถียงมันมันระบากมันต้องเอาความจริงมาพิสูจน์กันไอ้ที่จะดีก็อ้างก็อ้างได้เท่านั้นนะว่าพ่อแม่สร้างไม่ไม่ได้อยากจะสร้างเราขึ้นมาแต่สร้างมาก็เป็นหนูปัดเตะเพราะพ่อแม่อยากจะมีแท้กันก็เลยมีลูกออกมาเมอมีลูกออกมาก็เลยจําใจจะต้องเลี้ยงลูกอันนี้ก็พูดได้พูดไปแตถ้าพ่อแม่ หรือว่าทําเป็นหน้าที่แล้วยิ่งว่าไม่มีความกรตันอยู่ก็เวลาออกมาก็จับมันคนด้านเสียไม่ดีกว่ามันจะได้ไม่ต้องมีมีคารักไม่ต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับความเป็นในรกุ่ของลูกใช่ไห ม, มพูดอย่างนี้ว่าเดี๋วยวใครดูพ่อแม่ชุดต่อไปพ่อแม่ชุดตถอดกูไม่เอาลูกแล้ว ถ, ถ้าลูกคลอดออกมา ก, กูจะจับกด น, น้ำแล้วยดทิ้งใส่ถุงขยะไปครับ คุณสมพรครับทำไมคนเรามาเข้าใจธรรมะเอาตอนอายุเยอะวัยกลางคนไปแล้วทำไมไม่เข้าใจไม่ปฏิบัติตั้งแต่อายุยังน้อยอยังอยู่ในวัยประถมมัธยมหรือว่าคนเราต้องโง่ต้องมีอาวิชากรปัญญาจึงเกิดตามทุกคนดูเหมือนไม่ต่างกันทำไมไม่ไม่ปิ้งไม่คลิกกันตั้งแต่เด็กๆหรือว่าวัยเด็กมันมีอะไรให้ค้นหาเรียนรู้เพลินไปกับกิเลสครับ แต่ก็มีเด็กที่เขาอาจจะมีบุญสะสมมาต่ปางก่อนออกบวชหรือปฏิบัติธรรมตั้งแต่วัยประถมก็มีไม่น้อยแต่คนส่วนใหญ่ไม่เป็นอย่างนั้นทําไมจึงเป็นเช่นนั้นครับส่วนใหญ่ช่วงที่อายุน้อยนี้ร่างกายสุขภาพมันยังแข็งแรงมันไม่มีโรคภยัยไข้เจ็บแล้วคนที่เราครบค้าสมาคมด้วยก็เป็นคนหนุ่มคนสาวด้วยกันยังไม่มียังไม่ได้เห็นความแก่ความเจ็บความตายมันก็เลยยังไม่เห็นสัจธรรมความจริงของชีวิตเห็นเพียงครึ่งเดียว เห็นส่วนดีของชีวิตมันก็เลยหลงมาเริญกับชีวิตไปแต่ถ้าไปคนบางคนถ้าไปเจอความเห็นเจอคนที่เรารักหรือคนที่เราเคารักตายตั้งแต่เราเป็นเด็กนี่มันก็มีคนที่จะสอนใจเราว่า อ, อชีวิตมันไม่ได้มันไม่ได้สุขไปตลอดอย่างเดียวนะมันมีความทุกข์ด้วยอันนี้แหละมันจึงทําให้คนเราส่วนใหญ่มักจะหลงกับดอะไรกับชีวิตไงเพราะว่าตอนที่ช่วงที่ยัง เป็นหนุ่มเป็นสาวนี่มันไม่มีโครคภัยไข้เจ็บสามารถทำอะไรตามความอยากของตัวได้สามารถหาความสุขจากรากเบื้องต้นเสริมได้แต่พอวันดีคือดีเริ่มก่อการสูญเสียสิ่งบุคคลที่เรารักไปสูญเสียสิ่งที่เราหวงไปแล้วเริ่มเจอโครคภัยไข้เจ็บที่เริ่มมากระทบกับตัวร่างกายของเราที่มันจะเริ่มเห็นสัจธรรมความจริงของชีวิต คุณมาริสาครับมีพระอาจารย์บางท่านบอกว่าให้ระวังสุขที่เกิดจากการทําสมาธิเพราะเป็นกิเลสอย่างหนึ่งแต่พระอาจารย์บางท่านบอกว่าไม่ต้องกลัวสุขจากการทาสมาธิขอพระอาจารย์เมตตาค่ะไม่เรอกสุขจากสมาธิไม่มีพิ ษ, ม, พษมีภัยอะไรเพียงแต่ว่าต้องรู้ขอบเขต ข, ของหน้าที่ของสมาธิว่าสมาธินี้เก็เป็นขั้นบันไดขั้นหนึ่งที่เมื่อเราทำํำสมาธิได้แล้วเราต้องก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งคือขั้นปัญญา ถ้าได้เองปญ่ถ้าไม่มีไม่ได้ศึกษาไม่มีใครรู้ก็อาจจะไปติดอยู่ที่ขั้นสมาธิเพราะมันเป็นความสุขคิดว่าพอแล้วฉันพอแล้วฉันอาแค่นี้ก็พอแต่ความจริงมันมีความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากสมาธิเพราะความสุขสมาธิมันเป็นความสุขชั่วครัง้งชั่วคราวความสุขที่ได้จากปัญญาที่ใช้ดับกิเลสนี่เป็นความสุขที่ถาวรที่ยัยืนกว่ายาวนานกว่า อันนี้ก็ต้องอาศัยการศึกษาไปเรื่อยๆท้ามันเรื่องเราวนึ่นี้ศึกษากันได้นไม่จาเป็นที่จะต้องให้มีคนมาสอนมาบอกอะไรคุณรัญญาครับสมมติว่าถ้าหน่วยงานมีคนทำผิดสี่ห้ามารวมตัวกันมากๆมีความเห็นผิดเป็นชอบกันท่วนหน้าพวกเขาจะประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานไหมคะอันนี้เราพูดตอบไม่ได้ครับว่าสมมตินก็จะตอบอยังไงต้องขออไรด้วยนะ คุญแจนครับถ้าเราบริจาคเงินทําบุญเพราะความเกรงใจหรือเพราะกลัวว่าคนอื่นจะมองไม่ดีถ้าเราไม่บริจาคแบบนี้เราจะได้บุญไหมคะได้อาจจะได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่เต็มร้อยเพอาะทำด้วยความจําใจต้องทําไม่ได้ทําด้วยความยินดี คุณมิกซี่ครับทำไมการออกจากนิโรธสมาบัติและมีคนมาทำทานให้ถึงมีอนุภาพในทางโลกที่รุนแรงส่งผลให้ผู้ทำทานสุขสบายล่ำรวยเลยครับไม่มีหรอกเป็นความเชื่อเฉยๆคนคนที่มันรู้ทำเรื่องคนที่เขาเ้านิโรธสมาบัติประโยชน์อยู่ที่ตัวเขาไม่ใชสามารถถ่ายเท่าใหน้คนอนื่นที่มาทำทำทานด้วย คุณวันเพ็ญครับช่วงปีแรกนั่งสมาธิเกิดสภาวะลมหายใจหายไปร่างกายเบาเหมือนไม่มีร่างกายและลูกเข้าใจว่าเป็นคณิกาสมาธินะครับก็ ย, ยังไม่ต้องก่ อ, อยดชื่อหรอกพยายามให้มันสงบให้มันสงบมากขึ้นการขึน้นแล้วกันคุณเป๊ปครับอยากทราบสภาวะธรรมของคณิกาอุปจาระอั ป, ปนาครับและจะยกจิตวิปัสสนากรรมฐานในสมาธิขั้นไหนครับ คือสมาธินี่ถ้าเราจัรลำสติอย่างต่อเ น, นื่องเมื่อถึงจุดหนึ่งจิตมันจะหยุดคิดมันจะมอนก็ลดที่ปิดสวิตไฟลดมันก็จะจอดจอดถ้าเป็นถ้าจิตที่ฝึกใหม่ๆครับจิตก็จะสงบแต่ชัว่วสงบชั่วหนึ่งขนาเลยสงบได้เดียวเดียวเนื่องจากกำลังของสติที่ทำให้จิตสงบนี้ยังมีไม่มากพอมากพอที่จะทำให้จิตนิ่งสงบ เพลงชั่วขนาดหนึ่งอันนี้ก็เรียกวณิกัสสมาธิแต่ถ้าฝึกสติต่อไปเมื่อได้เห็นผลของาการฝึกสติว่าทําให้จิตมีความสงบเห็นเห็นความสุขที่ได้จากสมาธิก็อาจจะมีฉันทะมีความยินดีที่จะจะละสติให้มากขึ้นพอครั้งต่อไปมานั่งสมาธิก็จิตก็อาจจะสงบได้นานขึ้นจิตที่สงบได้นานขึ้นท่านก็เรียกว่าอัปปนาสมาธิ จิสออย่างนี้จะไม่มีอะไรไม่มีไม่มีเหตุการณ์ในปรากฏในขณะที่อยู่ในสมาธิจิตจะว่างจะเย็นจะสงบเนื้อสายสักแต่ว่ารู้แล้วก็อมเพงขาส่วนสมาธิชนิดที่สามนีเรียกอุปจารสมาธิอันนี้เป็นสมาธิที่เวลาที่จิตสงบในขณ ะ, น, ะนี้แล้วนีปญาแล้วไม่อยู่ไม่สงบไม่ตั้งสงบออกมาจาก พาถมนั้นแล้วออกไปรับรู้เรื่องราวต่างๆในโลกทิพย์ก็คือไปสามารถไปติดต่อกับกายทิพย์ได้เช่นเวลาพระเจ้าแสดงธรรมเนี่ยท่านก็จะใช้อุปจาราสมาธิเพ<ะ>ื่อที่จะติดต่อกับกายทิพย์หรือรับเรื่องชาญได้หรือใช้อิทธิฤทธิปาฏิหารก็อาศัยกาลังของอุปจารสมาธินี้ถ่ายมารับจิตของผู้อื่นได้ ใครกำลังคิดอะไรอยู่นี่ก็สามารถหานจิตเขวได้อันนี้เรียกว่าอุปจารสมาธิอุปจารสมาธินี้ไม่เป็นประโยชน์เพื่อ ว, วิปัสสนาเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เพราะว่าอุปจารสมาธินี้ไม่มีพลังของอุเบกขาออกจากอุปจารสมาธินี้ก็เหมือนกับว่ามันจะไม่ได้นั่งสมาธิจิตก็จะจิตก็จะหิวจะร้อนขึ้นมาได้ง่ายไไดายแต่ถ้าจิต อยู่ในอัปปนาสมาธินี้จิตจะเย็นจะสงบจะมีโอเบก้าเวลาออกมาจิตก็ยังจะเย็นยั ง, ย, งยังมีโอเบก้าพร้อมที่จะเอาจิตนี้ที่เย็น ท, ที่ที่มีโอเบก้านี้ไปพิจารณาไปเจริญทางด้านวิปัสสนาพิจารณาทางปัญญาต่อไปได้แต่ต้องทําตอนที่ออกจากสมาธิมาแล้วไม่ใช่ทําตอนที่อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในอัปปนาสมาธินี้ไม่ให้ทำอะไรให้รักษาความสงบ ให้ยุให้สงบให้ใ น, านานที่สุดทัศนีนานได้เอาเป็นการมันกับเป็นการให้อาหารเป็นการเติมน้ำมันเติมพลังให้กับใจเพื่อที่จะได้เอามาใช้ในการเจริญปัญญานะและตัณหาความอยากต่อไปคุณสมพรครับความสําเร็จของคนเรา ว, วัดหรือดูกันที่ตรงไหนครับใช้ดูที่ความสูง ข, ของเราเป็นหลักหรือเปล่าครับ ก็แล้วแต่เราเราจะให้เรวัดอันนี้มันก็บางคนก็วัดที่เงินใช่ไหมกันรวยกี่เท่าไหรบางคนก็วัดที่ตําแหน่งที่ยศก็แล้วแต่ถ้าทําทํำเราก็วัดที่มัรผลนี่พ่านขั้นสุดามันได้ย่างขั้นสกิดาคาหรืออย่างขั้นอนาคาขั้นอรานได้ย่างอันนี้ก็เป็นเรื่องวัดฌองคาสาเร็จทางโลกเขาก็วัดแต่ตอนนี้ได้ได้เป็นเศรษฐีเงินล้านได้ยังได้ร้อยล้านได้ยังได้พันล้านได้ยังเขาก็วัดแคัน ทางทางตำแหน่งก็วัดตอนนี้ได้เป็นสอสอหรือยังได้เป็นรัฐมนตรีหรือยังได้เป็นนายกหรือยังก็วัดกันได บ, บแล้วแต่เราจะเามาวัดครับคุณเจครับการฝึกเอานิพพานมาเป็นอารมณ์สามารถทําได้จริงไหมครับแล้วอารมณ์ที่เข้าถึงนั้นคืออารมณ์นิพพานจริงทําให้หลุดพ้นได้จริงไหมครับคงจะยากหรอกเพราะเราไม่รู้ว่านิพพานเป็นยังไงแล้วเราจะเอานิพพานเามาเป็นอารมณ์ได้ คุณเปิลครับถ้าช่วงนี้ปฏิบัติธรรมแต่ช่วงนี้มีความโกโรธรุนแรงขึ้นค่ะต้องสอนจิตอย่างไรคะก็ต้อง อ, อย่าจองเวีจองกรรมผู้ถ้าใครก็ทําอะไรแล้วทําให้เราเกิดความเสียหายขึ้นมาก็อย่าไปอย่าไ ป, อ ย, าไปอย่าไปโกรธเขาวิธีที่จะทําให้เราไม่โกรธเขาคืออย่าไปโทษเขาโทษตัวเราเดีวกว่าว่าเป็นกรรมของเราอกรรมของเราที่มาเกิด ไม่ต้องมาเจอเรื่องราวเหล่านี้เรื่องราวที่ทําให้เราโกรธถ้าเราโทษตัวเราเองแล้วเราก็จะให้อภัยก็ได้เพราะเราไม่ต้องให้อภยัยเขเพราะมันไม่ใช่มันไม่ได้เป็นความผิดของเขามไ ม, มีความผิดของเราเป็นกรรมของเราที่ที่มาเกิดที่นับมาเกิดถ้าไม่มาเกิดเราก็ไม่เราก็จะไม่ต้องมาเจอเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้เราโกรธใช่ไหมนี่อย่าไปโทษใครเลยโทษเราเลยดีที่สุ ถ้าโทษเราได้แล้วเราก็ไม่ต้องให้ไม่ต้องไปให้อภัยใครไม่เราก็จะไม่ไปจองเวรจองกรรมไม่ไปโกรธไปเกลียดใครเพราะเขาไม่ผิดอ่ะผู้ผิดก็คือเราอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลจบเลยนะคะโทษตัวเราคนเดียวเนี่ยจบเลยที่มันไม่จบเพราะเราไปโทษคนอื่นกันน่คุณผิดคุณอย่างนั้นคุณอย่างนี้เขาก็เขาก็ตางกับแล้วเขาก็พูดว่าเราผิดผมไม่ผิดเขียนกันไปเถียงแล้วก็ต่อยกันตีกัน แต่ถ้าตามฝ่ายต่าโทษตัวเองว่าเป็นกรรมของเราเป็นความผิดของเรามันก็จ บ, บนี่หัดหัดหัดหัต้มนตตัวเราดีกว่านะอย่าไปต้มเนตรคนอื่นเลย ค, คุณแก้มครับอยากขอคําแนะนําในการฝึกเจริญเมตตาจากพระอาจารย์ค่ะ <c oughs> ก็นี่ะเนี่ยการเจรเมตตาตือเนี่ยการไม่จองเวรการไม่อาคตาพยาบาทกันก็ต้องโทษตัวเราเอง เวลาใครก็ทําอะไรแล้วเรามีคนกระทบกับเราทําให้เกิดความเสียหายทำให้เราไม่พอใจปกติแล้วก็จะต้องร้านแค้นใช่ไหมเออทําให้เราเสียหายแล้วก็อเอาแล้วลทางใดทําหนึ่งทางกฎหมายก็ได้หรืทางไหนก็ได้ต้องเอาให้ได้เอคืนเห็นมไหมทํำไมนี่พวกพวกโซเชียลนี่ฟ้องกันไปฟ้องกันมาเละเทะไปหมดเลยใครเขียนอะไรหน่อยไม่พอใจก็ฟ้องแล้วาหาว่ามี่นประมก ประมาณอะไรก็อย่าไปโทษเขาโทษเราเราไปเราไปอ่านเองข้อความเหล่านี้ถ้าเราไม่อ่านมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยใครอยากเขียนก็เราก็อย่าไปอ่านมันเท่านั้นเองไปอ่านทําไมอ่านแล้วทําให้เราโกรธฉลาดหรือโง่อะนช่ไหโทษตัวเราเองเราไปเราไปเราไปยุ่งกับเขาเองถ้าเราไม่ไปยุ่งกับเขามันไม่มีปัญหาหรอกนี่คือความเมตตาที่เกี่ยวกับความการให้อภยัย ส่วความเมตตายังมีอีกสามลักษณะคือเมตตาด้วยการไม่เบียดเบียนผู้ก็คือเราทําอะไรอย่าไปให้มีผลเสียหายกระทบต่อผู้ทำอะไรก็ต้องระมัดระวังดูผลด้วยว่าจะเป็นอะไรบางทีแล้วจัดงานเลี้ยงเฮฮาปาร์ตี้กันส่งเสียงดังคนข้างมากก็นอนไม่หลับอย่างเงี้ยอถ้าเข้ามาขอร้องว่าพี่เ บ, บาหน่อยแล้วก็คนที่จะคนที่จะลดเสียงอะไรเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนแล้ว หรือทำอะไรอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปสร้างความเสียหายเตือนร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็อย่าไปทำร้ายร่างกายและจิตใจของผู้อื่นเวลาที่เราเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วก็ให้ความสุขกับผู้อื่นถ้าเรามีมีของอะไรหรือกินก็แบ่งไว้บ้างเช่นเราทำกับข้าววันนี้มีอะไรก็ตัดแบ่งให้เพื่อนบ้านอะไรทานองนี้ก็เรียกว่าเป็นการให้ความสุขกับผู้อื่น นี่คือวิธีการแผ่เมตตาสีส่ลักษณะด้วยกันคือไม่จองเวรกันไม่อาฆาตพยาบาลเราไม่เบียดเบียนกันสามไม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจกันและสีให้ความสุขต่อกันคุณประชาครับถ้าเป็นคนที่คิดไม่รอบคอบแล้วพูดบางครั้งพูดใหม่ขัดกับเรื่องที่พูดไปก่อนเพราะเพิ่งคิดออกจนคนฟังบางคนไม่ค่อยเชื่อคาพูด แบบนี้ไม่ผิดศีลข้อศีลมุสาวาจาเพราะไม่มีเจตนาไม่ได้โกหกหรือพูดเทจ็จใช่ไหมครับถึงแม้ไม่มีเจตนาแต่มันก็เสียเกิตนึ่งมันก็มันก็ฟังแล้วว่าวามแล้วเราเป็นคนที่กลับเล่าพูดพูดไม่ไ ม, ไ, มไม่ตรงกับความเป็จริงมันก็จะทําให้ความความน่าเชื่อถือเรื่องเราวนี้มันมันหมดไปเป็นเหมือนเด็กแม่นแก่ คุณเปิ้ลครับการล่าสั่งยศข้อที่เป็นปฏิฆะคืออะไรคะแล้วต้องฝึกการล่าอย่างไรคะปฏิฆะคือความโกรธเกลียดใจความโกรธเกลียดใจจากเกิดจากการมีกาม ร, ราคะในเวลาเราเกิดความเกิดความอยากที่จะเสกความอยากจะร่วมเพศแล้วมันยังไม่ได้ร่วมเนม้นใ จ, จ ม, มันจะโกรธหกลดมันจะรำคาญแต่พอได้ร่วมเพศแล้วความโกรธเกลีดมันก็จ ะ, ะหายไปชั่ควครา เดี๋ยวมันก็จะกลับมาใหม่เพราะควา ม, มอยากจะร่วมเพศเียมันจะจะกลับมาใหม่วิธีที่จะทําให้ความร่วงอยากร่วมเพศและปฏิฆาไม่กลับมาใหม่ก็คือต้องไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปร่วมเพศวิธีที่จะทําให้เราไม่ร่วมเพศก็คือให้เรามองร่างกายของคนที่เราอยากจะไปร่วมว่าไม่สวยงามเช่นมองเข้าไปข้างในในในร่างกายของเขาอย่าดูแต่ภายนอกดูดูที่ตั้งแต่ใต้ผิวหนังเข้าไป ดูเนื้อเอ็นกะโด ด, ดูดูอวัยวะต่างๆปอดหัวใจตับลำไส้ละไรต่างๆถ้าเรา เ, า ห, าเห็นอาการอล่า น, น, นี้แล้วมันก็จะทำให้ความอยากจะร่วมเพศเก่เานี่มันหายไปวความอยากร่วมเพศหายไปความเป็นค้าความหกมุนมันก็จะหายตาไปคุณนิวรุธครับอยากจะตื่นมาแต่เช้ามืดมานั่งสมาธิแต่พอถึงเวลานอนต่อทุกทีจะแก้ยังไงดีครับรอาจารย์ ก็ไ อ, อย่นอนเองถ้ามันนอนต่อ <c oughs> มันก็ต้องแก้ด้วยการไม่นอนนะมัน้องขึ้นมาว่าพอตื่นขึ้นมาเขาร่ม ล, ลุกขึ้นมานั่งเริ่มา้างหน้าล้างตาแล้วว่านั่งสมาธิหรือถ้านั่งแล้วหลับก็เดินจบองแทนต้องบังคับตัวเองแต่อย่าปล่อยให้เป็นไปตามอารมณ์ถ้าเป็นไปตามอารมณ์เราก็จะไม่สามารถทําในสิ่งที่เราต้องการจะทําทได้คุณสมพรครับ การใช้จ่ายเงินของคารวาในการดำเนินชีวิตประจำวันหลักๆคือใช้เงินทำบุญทำทานใช้เงินเพื่อหาอาหารมาบำรุงร่างกายอื่นๆตามความจำเป็นคิดเห็นอย่างนี้เป็นความเห็นที่ถูกต้องหรือยังครับคือ เ, เงินท้องที่เราเามาในส่วนแรกเราต้องใช้ก็คือการเลี้ยงดูร่างกายเราที่เราไปทำมาหากินก็เพื่อมาเลีเล้ยงปากเนี้งท้องเรากับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยคนที่เราต้องรับผิดชอบแล้วถ้าเรายังมีส่วนเหนืออยู่ แล้วก็มาแบ่งเป็นสองส่วนส่วนนึงก็ เ, เก็บสำรองไว้เผื่อวันข้างหน้าถ้าเกิดเราตกงานหรือว่ารายได้ไม่พอใช้เราก็จะได้อาศัยเงินที่เราเก็บออกมานี้มาม า, มาช่วยแล้วอี ก, อกส่วนหนึ่งกเ็เอาไปทําบุญก็แบ่งไว้เป็นสามส่วนให ญ, ใหญ่เอาไปเลี้ยงดูร่างกายแล้วก็เก็บไว้สำรองไว้เผื่อวันข้างหน้า แล้วอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปทาบุญทำทานคุณมิกซ์ทีวีครับหากทุกคืนที่เรานอนชอบคิดถึงแต่ความตายนึกว่าถ้าตายก็ต้องเริ่มใหม่สิ่งที่สั่งสมมาทั้งความรู้ประสบการณ์หรือความสัมพันธ์ที่ดีต้องสลบออกโดยไม่เต็มใจส่งผลทำให้จิตเศร้าหมองเวลารู้ว่าเวลาเดินหน้าตลอดทำไงดีครับก็ต้องพยายามทใจสงบก่อนก่อนที่จะมาคิดถึงความตายได้ เพราะว่าถ้าจิตยังไม่สงบนี้กิลเลสมันจะไม่ยอมรับความตายมันก็เลยทำให้สร้างความรู้สึกเศร้าหมองขึ้นมางั้นอยากถ้าเรายังไม่มีสมาธิพอที่จะหยุดกำลังของกิลเลสเราก็อยากขึ้นไปทางปัญญาอันนี้เราต้องเราต้องมาทาฝึกทำใจให้สงบก่อนแลค่อยเรามาคิดถึบความตา ย, ย, าตาตายทีมันก็อาจจะ ไม่เมีความรู้สึกเศร้าของตามมาคุณเปิ้ลครับตอนนั่งสมาธิทุกครั้งต้องสวดมนต์ไหมคะเคยมีบางที่สอนว่าต้องสวดมนต์ก่อนทุกครั้งเพื่อสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าก่อนเรียนวิชาของท่านเจ้าค่ะไม่จําเป็นเราไม่มีกฎตายตัวว่าจะต้องสวดก่อนหรือไม่สวดก่อนนี่แล้วแต่ผู้ปฏิบัติบางทีจะนั่งสมาธิบางทีนั่งแล้วมันจิตยังฟุ้งซ่านอยู่ก็อาจจะอาศัยการสวดมนต์ช่วย ระงับความฟุ้งซ่านแต่ก่อนก็ได้แต่เราสามารถสวดในท่าที่เรานั่งสมาธิเลยคือไม่ต้องนั่งบนตรงนู้นเราก็สวดน้าต้องการเลยเรานั่งสมาธิไปแล้วใช้การสวดวันนี้มาระงับความฟุ้งซ่านที่ยังมีอยู่ในใจแต่ถ้าเราใจไม่ฟุ้งซ่านพอนั่งสมาธิสามารถดูลงและพุทธโถได้เราก็ไม่ต้องสว ด, ดก็ได้ สมพรครับการตักบาตรฟังธรรมหลังการใส่บาตรบุญจากการใส่บาตรคือได้ทานบารมีส่วนบุญจากการฟังธรรมจะได้ปัญญาบารมีเข้าใจเช่นนี้ถูกต้องหรือยังครับถูกต้องนะคุณพิงกี้ครับการปฏิบัติแล้วเห็นการเกิดดับของจิตตัวเองแต่มันไม่เปไม่เห็นสภาวะจิตของผู้อื่นด้วยจะต้องปฏิบัติอย่างไรคะถึงดึงจิตกลับมาอยู่กับตัวเราให้ไวเวลาไปเห็นสภาวะจิตของผู้อื่นคะ การเย็นสบายจิตของผู้ของผู้ในวันขเราตอนนี้มันไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะว่ามันยังมันไม่ได้เป็นปัญหาตัวที่เป็นปัญหาคือร่างกายของเรามากกว่าที่เราจะต้องดูว่มามันเป็นสิ่งที่เกิดแล้วต้องดับเช่นร่างกายนี้มันเกิดแล้วเดียวมันต้องแก่ต้องเจ็บแล้วต้องตายเราสามารถที่จะรับกับการเกิดดับของร่างกายนี้ได้หรือยังอันนี้เป็นเป็นข้อการบ้านด้วยเป็นข้อสองที่เราต้องทำก่อน เรื่องของจิตนี่ยังเป็นเรื่องที่ไกลไกลตัวเราไปแล้วดูไปตอนนี้เราก็ไม่เข้าใจว่าอะไรเป็นจิตและไม่เป็นจิตแล้วดูกันเกินดับมันเกินดับยังไงเราก็ไม่รู้มันไม่ได้มีปัญหากับเราตอนนี้ให้ดูตัวที่มีปัญหากับเราก็คือร่างกายเราตอนนี้เรายัางเสริมเสริมสวย อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อ, อยู่ว่างน้ำชีนโบท็อกซ์่กเปล่ายังอะไร แต่คิ้วทาปากหรือเปล่าทำทำหน้าทาปากทํ า, ทาตาทาําอะไรอยู่เปล่าอันนี้แหละเป็นเรื่องสิ่งที่เราไม่ยอมรับความเกินดับของร่างกายเพราะร่างกายมันกลายเนี่ยมันก็ต้องเสื่อมไปตามวัยามเวลาของมัน <c oughs> แลว้วก็พยายามที่จะต่อสู้กับความความเสื่อมของร่างกายแตนะ่สู้กันในที่สุดก็สู้ไม่ได้อยู่ดีในที่สุดเราก็ต้องแก่อยู่ดีแล้วก็หน้ามันต้องหยวย่นอยู่ดี อันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมามาพิจารณาก่อนคือร่างกายของเราแล้วค่อยไปที่เวทนาแล้วค่อยไปที่จิตอีกทีหนึ่งทำมันเป็นคําที่หยากละเอียดขึ้นไปตามลําดับขั้ตนต้นของของที่ง่ายๆชัดๆก่อนคือร่างกายนี้ผ่านร่างกายนี้ไปให้ได้ก่อนไม่ทุกกับความแก่ไม่ทุกกับความเจ็บไข้แน่ป่วยไม่ทุกกับความตายของร่างกายให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปดูเรื่องจิตต่อไป คุณกุณหลาบครับ <c oughs> ลูกนั่งสมาธิแล้วจากที่นั่งตัวตรงพอนั่งไปสักพักหัวและตัวเองลงตะลูกภาวนาถูกหรือไม่เจ้าคะคือเรื่องของร่างกายนี้พอเราเริ่มภาวนาแล้วมันจะเอนในบ้งางก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ไม่ไม่ทำว่าเราผิดหรือถูกการภาวนาผิดหรือถูกอยู่ที่จิตเรามีสติหรือไม่มีสติถ้าเราภาวนาแล้ว น, านําคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องแล้เรื่องนี้ก็ผิดนะ การนั่งภาวนเราต้องมีสติอยู่กับอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่กับพุโทโธพุโทโธหรืออยู่กับเร า, าหายใจเข้าแม่เพิ่มแม่หายอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิธีนั่งที่ถูกพวกนั่งด้วยด้วยสติไม่ใช่นั่งแล้วก็ปล่อยให้ใจลอยคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเห็นเห็นสิ่งนู้นสิ่งนี้ปรากฏขึ้นในจิตก็ไปลางรู้มันการนั่งแบบนี้ไม่ใช่เป็นวิธีนั่งที่ถูกวิธีนั่งที่ถูกต้องให้จิตมีอะไรก็ให้ยึดไว้แล้วไม่ให้ไปสนใจครับ กระแสของความคิดหรืออะไรที่ปรากฏขึ้นมาในจิตในขณะนั้นให้เฝ้าอยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งไว้ให้ผูกไว้กับจิตเพื่อพุทโธร่นมลมหายใจเข้าออกเท่านั้นจะเรียกว่าป็ิการนั่งภาวนาที่ถูกต้องคุณนิรุตครับพระอาจารย์ครับหากเรามีกิเลสรักหลงเกิดขึ้นทางเสียงจะมีอุบายขจัดได้ยังไงครับพิจารณาว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นของชั่วข้าว เสียงนี่มันเกิดแล้วก็ดับ <c oughs> ถ้าเราไปลากมันเวล า, ามันไม่เราไม่ได้ยินมันเราก็จะเราก็จะเศร้าเราก็จะเดามองเห็นว่ามันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะไม่เทียงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับให้มันอยู่กับเราไม่ได้ตลอดคุณวชิราพรครับธรรมะสามารถช่วยขัดเกลาให้เราจิตสงบจิตสว่าง จะทำยังไงให้เรามีนิสัยดีกว่าเดิมเช่นใจเย็นไม่ใจร้อนเริ่มฝึกมากขึ้นหรือระลึกแบบไหนถึงจะปฏิบัติถึงเจ้าคะก็ถ้าจิตเราสงบจิตเราสงบแล้วใจจิตเราก็จะเย็นไม่ไม่ร้อนใจเราก็จะไม่ร้อนคนที่มีสมาธิแล้วใจจะเย็นใจจะไม่ร้อนเหมือนกับคนที่ไม่มีสมาธิยิ่งมีสมาธิมากเท่าไหร่จิตก็จะยิ่งเย็นมากขึ้นไปเท่านั้นตาลำับ คุณชัยอนันต์ครับพุทโธอย่างเดียวแล้วจะเกิดปัญญาได้อย่างไรครับเราพูดถึงขั้นสมาธิที่เวลาพูดถึงพุทโธเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงขั้นปัญญาคุณเข้าใจผิดตอนนี้เราพูดพุทโธเนี่ยคนไม่สังเกตเวลาพูดมันพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรทุกครั้งที่เราพูดพุทโธเนี่ยเราพูดถึงเรื่องการทำสมาธิทำจิตให้สงบทำจิตให้นิ่งเราไม่เคยได้พูดว่าพุทโธเราจะเกิดปัญญาจะเกิดปัญญาต้องพิจารณาไตรลักษณ์พิจารณา อริยสัจ ส, สี่อันนี้ถึงจะเกิดปัญญาขึ้นมาพิจารณาร่างกายว่าเป็นตายรักร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นตายรักร่างกายทําให้เราทุกข์เพราะเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่คืออริยสัจ ส, สี่อันนี้เราพิจารณาคนละเรื่องกันคุณพีชครับ คนที่ผิดศีลข้อสามจะได้รับผลกรรมอย่างไรคะก็ไปเป็นสุนัขหือคณิสัยแบบสัตว์เดรัจฉานเน่ยมนุษย์มนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานต่างกันใช่ไหม <c oughs> มนุษย์มีครอบครัวมีมีคู่ครองของตนใช่ไหมแต่สัตว์เดรัจฉานนี่มันไม่มีคู่ครองมันเจอใครที่ไหนเมื่อมันเกิดอารมณ์ขึ้นมามันก็จะมันก็จะเสกกรรร่วมกัน แต่เป็นมนุษย์เรารู้จักขาดข้ามจิตใจว่าไม่ไ ม, ไม่เหมาะไม่สมไม่ควรนี่คือการต่างของมนุษย์กับรัต์เดรัจานคุณสุกัญญาครับขอความไม่ตาดีปลายสติสัมปชัญญะเจ้าค่ะสติสัมปชัญญะก็คือสติที่ต่อเนื่องคือไม่ขาดตอนไม่หายไปเช่นพูดโธก็พูดโธได้อย่างต่อเนื่อง หรือทาเฝ้าดูอิทธิบาตต่างๆของร่างกายก็เฝ้าดูอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ดูป๊บเดี๋ยวแล้วใจก็ลอยไปคิดเรื่งนั้นเรื่นี้ลืมเพลินไปแล้วว่าเราก็ลังทำอะไรอยู่นีวสติยังไม่ยังไม่ต่อนี่สติต่อนี่ก็เรียกสติสัมบัติชัญญะอันนี้ คุณหมอเฉลิมชัยครับอาจารย์ส่วนตัวผมเป็นหมอรักษาโรคมะเรง็งผมมีความทุกข์ใจใจมากอยู่อย่างหนึ่งคือเวลาที่กระผมแนะนำให้คนไข้าฉายแสงหรือผ่าตัดเป็นทางที่ทำให้เขาหายหรือพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากโรคแต่เขาปฏิเสธเพราะความไม่รู้ว่าอนาคตเขาอาจจะทุกข์หรือเสียชีวิตได้แต่ด้วยส่วนตัวกระผมรู้ว่าการดาเนินโรคจะเป็นอย่างไรกับทุกแทนพวกเขาเหล่านั้นมากเลยครับ ปนน้อยใจแทนบางคนที่เขาอยากหายแต่ไม่มีโอกาสบางคนมีโอกาสกลับทิ้งมันไปมันก็ต้องมองว่ามันเป็นเรื่องที่มันสุดวิสัยที่เราไม่สามารถที่จะไปบังคับเขาได้เรื่องของความเชื่อเรื่องความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคนนี่เขาก็มันก็มีฝังอยู่ในใจของเขาหน้าที่ของเราก็แนะนําไปพูดไปตามหลักวิชาการญาาติมาก็สอนธรรมะกับญานโย ญาติยมอยากไปปฏิบัติหรือไม่มันก็เป็นเรื่องของญาติยมเราไม่มาทุกด้วยเราทำหน้าที่ของเราไปคุณหมอแนะนำไปว่าควรจะทำส่วนคนไข้เขากลัวเขาไม่กล้าทำก็อย่าไปก็อย่าไปเสียใจไปกับเขาหรืมอมองในภาพรวม ก, ก, ก็ได้ในที่สุดก็ตายอยู่ดีจะรักษาแร้ไม่รักษาก็ตายงั้นเขาอาจจะมีทัศนคติไม่เหมือนเราก็ได้ เปนกับพระบางรูปเนี่ท่านเขาไม่รักษาแล้วรักษางานก็ตายก็ไม่อยากจะไปวุ่นวายกับการรักษาก็ได้อันนี้ก็เป็นสิทธิ์ของเขาของแต่ละคนที่จะคิดที่จะเลือกทางของตัวเองเราไม่ควรที่จะไปทุกข์กับเขาเวาจะเข้าลบสิทธิ์คนคนรจะเข้าลบความรู้สึกนึกคิดของเขาก็าปล่อยเขาทำตามที่เขาตัดสินใจแต่เรามีหน้าที่ที่ต้องทำํำเราก็ต้องทํามีหน้าที่ต้องบอกต้องก็ต้องบอกไป ถ้ า, าไม่บอกมันก็เป็น ก, นการปกป้องหน้าที่ของเราได้ครับเหมือนพระอาจารย์เคยบอกว่าคว้าน้ําเหลวครับพระอาจารลูกค้าทุกคนเคยมาค้าน้ําเหลวทั้งนั้ น, นแต่ไม่รู้กันคิดว่าได้เลยไปมีอะไรเยอะแยะมีนูน่นมีนี่แต่มันหมดแต่ไม่เคยคิดถึงเวลาที่ตายมันเหลืออะไรบ้างอะไรติดตัวไปบ้างไม่มีอะไรแม้แต่ชิ้นเดียว คุณพีชครับถ้าไม่ถึงกับร่วมหลับนอนแค่ชอบพอแอบนัดพบกันคุยกันทั้งที่มีภรรยาแล้วถือว่าบาปไหมครับมันก็เริ่มต้นของการการทำบาปแล้วล่ะเพราใจมันเลิกมันไปทางนั้นนะแล้วยิ่งถ้าหยุดคุยกันใกล้กันเดี๋ยวมันก็ห้ามไอยู่แล้วไฟน้ํากับไฟน้ํามันกับไฟพอมันอยู่ใกล้กันเดี๋ยวมันก็ลุกโชนขึ้นมาจะได้ยห็นทำที่ดีอย่าไปใกว่า คุณจักกพงศ์ครับพระอรหันนิพพานแล้วท่านมีสภาวะอย่างไรและท่านมีที่ไปไหมครับนั่นก็เหมือนเราจิตของท่านกับเราต่างกาน ท, ที่จิตของท่านนี้เหมือนเสื้อผ้าเสื้อผ้าของเราเราเอาไปซักเสรศจเสื้อผ้าเราก็สะอาดใช่ไหมจิตของพระอรหันก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าจิตท่านท่านชำระด้วยการปฏิบัติธรรมจนจิตของท่านสะอาดโดยสุดปราจากกิเลสก็เท่านนั่นเอง จิตของท่านก็ยังอยู่ที่เดิมเหมือนกับจิตของตอนที่ท่านมีกิเลสไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปตรงไหนคุณไอวอรี่ครับภาวนาพองยุบกำหนดรู้อยู่ที่หน้าท้องแทนกำหนดรู้ที่ลมหายใจพุทโธได้ไหมคะไ ด, ได้ถ้าเป็นวิธีที่เราชอบเราถนัดก็ใช้วิธีนี้ก็ได้คุณประชาครับ ขับรถตอนกลางรครืนมีมแมลงบินมาชนรถตายแบบนี้ไม่ผิดศีลฆ่าสัตว์เพราะไม่เจตนาไหมครับจุดยากนันยุงไว้แล้วยุงบินเข้ามาตายเองจะเรียกว่าเป็นกรรมเก่าของยุงได้ไหมครับก็เป็นเรื่องของเขาหละเพราะเราไม่เราไม่ได้ไปทำร้ายเขาเขาเขาเ้ามาหามันเองคุณจตุรลนครับ กระผมได้เต่าของญาติมาสองตัวเป็นเต่าบกหนึ่งเต่าน้ำหนึ่งกระผมกลัวญาติจะฆ่า ก, ก็เลยเอามาผมพยายามสแสวงหาที่ปล่อยที่เหมาะสมแต่ไม่มีแต่มีวัดหนึ่งมีห้วย ส, สายน้ําเป็นป่าประมาณ30มสิบก้าไร่ถ้าผมปล่อยก็กลัวเขาจะหนะีออกจากวัดน่าจะเป็นอันตรายผมควรเลี้ยงหรือหาที่ปล่อยเขาครับหลวงปู่ก็แล้วแต่เราอันนี้ก็เราต้องการเสียใจอะไร คุณวีนา ค, ครับคนที่ไปทําบุญเชงแมงคนตายจะได้รับบุญนั้นจริงไหมคะเพราะคนตายก็ไปรับผลบุญผลบาปเขาจะมารับบุญที่นี่ได้อย่างไรครับ เ, ออเขาไม่ได้รับหรอกคนตายเพราะเราไม่ได้ทําบุญเชงเม้งนี่เราไม่ได้ทําบุญเาเอาอาหารไปตั้งไว้ที่หน้าหลงมศพที่หน้าที่หลมุมฝังศพถึ้งไว้สักชั่วโมงหนึง่งแล้วก็เร า, าก็เอากลับไปกินกันมั น, ป เ, นเป็นการเล่นละครนันเองเป็นการเล่นละครเวลาเอาอาหารมาให้คนตายกิน ของที่คนตายไม่ได้กินถ้าคุณไม่เชื่อคุณลองชั่งน้ําหนักของอาหารไว้ก่อนที่คุณจะไปตั้งไล้ตั้งไว้ชั่มงมวลเนื้อคุณก็เอามาชั่งน้ําหนักหังอับว่าน้ําหนักของอาหารัลดไปหรือเปล่าถ้ายัางเท่าเดิมอยู่แสดงว่าคนตายไม่ได้กินถึงที่คนจคนตายยะ ก, กินได้ก็คือบุญคือความอิ่มใจสุขใจที่เกิดจากการทําบุญของเราแทนที่จะอาหารนี่ไปตั้งไว้ที่หน้า หมุนศพนี่เอาอาหารนีไ่ไปใส่บาตรไปถวายพระแล้วเราจะได้ความอิ่มใจสุขใจจากการทําบุญนี่แล้วเราก็สามารถแบ่ ง, งบุญส่วนนี้ให้กับคนตายได้ครับคุณแม่ครับเมื่อพิจารณาความตายแล้วใจวิวกลัวตายมีความเป็นห่วงพ่อแม่ผมต้องแก้ไขอย่างไรครับอาจารย์อย่าพึา่งพิจารณาถ้ายังไม่พร้อม ให้พยายามฝึกสมาธิฝึกสติฝึกสมาธิทำใจให้สงบให้ให้มากกว่านี้ไปก่อนแล้วค่อยลองมาพิจารณาอีกทีหนึ่คุณแพทย์ครับต้องอยู่ร่วมกับคนที่เห็นแก่ตัวนึกถึงแต่ตัวเองก่อนเสมอทั้งที่เราคอยให้และทําดีด้วยตลอดเวลาทําให้รู้สึกท้อที่จะทําความดีควรใจทำมาข้อใดที่ช่วยให้ทําใจคะ่ะก็เป็นกรรมของเราไงเป็นกรรมของเราที่จะต้องมาอยู่ตรงที่ที่จุดนั้น ก็อย่าไปโทษเขาว่าแล้วกันโทษเร า, เ, เ, ราเราไปอยู่ที่จุด น, นั้นเองไม่ต้องอยู่ที่จุด น, นั้นเราก็ต้องยอมรับกับสภาพที่มันเกิดขึ้นกับเราเราก็จะอยู่ได้เราอย่าไปคิดเปลี่ยนเขาเลยอย่าไปวิาพากษ์วิจารใครเลยเสียเวลาปเปล่าเขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นแหละเรามามามาเพ่งโทษตัวเราเองนี่แหละแล้วปัญหาก็จะจบโทษก็คือกรรมของเราเป็นกรรมของเราที่จะต้องมาอยู่ที่ตรงนั้น ก็รับกรรมไปก็ลครับคุณเอกชัยครับอยากเรียนถามสอบถามพระอาจารย์เรื่องวิธีฝึกปฏิบัติสมถะภาวนาวิปัสนาครับก็เนค่ยพูดมาตลอดในการพูหนึ่งสองอย่างนี้สมถะภาวนาก็คือการทำจิตใจให้สงบที่เราเรียกว่าจารสตินั่งสมาธิเองให้จิตสงบเรียกว่าสมถะภาวนา ส่วนการเจริญปัญญาพิจารณาไตรลักษณ์ชีวร่างกายมาเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอันนี้เ็เรียกว่าวิปัสสนาในการเจริญปัญญาสอนใจให้ฉลาดเพื่อจะได้ปล่อยวางไม่ไปทุกข์กับสิ่งที่เป็นไตรลักษณ์คุณมาริกาครับการทาบุญด้วยการถวายผ้าไตรมีความหมายและสำคัญต่างจากการทาบุญด้วยวิธีอื่นอย่างไรค มันก็เหมือนกับคนซื้อเสื้อผ้าให้กับตัวคนเองกับซื้ออาหารเนี่ยมันตัดกันนะใช่ไหมทีนี้คุณขาดอะไรล่ะถ้าคุณขาดอาหารคุณก็ซื้ออาหารถ้าคุณไปซื้อเสื้อผ้ามันก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมเพราะคุณขาดอาหารถ้าคุณขาดเสื้อผ้าคุณก็ซื้อเสื้อผ้าอันนี้ก็เหมือนกันเวลาคุณทำบุญผ้าตายก็หมายความว่าคุณทิ้งผ้าไม่มีผ้าตายไม่มีผ้าใช้คุณก็เลยถวายผ้าให้กับท่านแต่คุณไม่รู้ว่าผ้าท่านมีผ้ากี่ตันเรา ก็ไม่เคยถามลทีถามแล้วก็ไม่กล้าตอบเลยมันก็เลยเมันปัญหารบแตกคนถวายก็ไม่รู้ว่าคนรับนี้ต้องการอะไรขาดอะไรคนรับก็ไม่กล้าบอกบอกไม่ได้เลยจะเกิดกิเลสขึ้นมาอีกก็เลยก็ทําบุญไปตามความรู้สึกของคนอยากจะทำก็แล้วกันบาคุณทำเพราะคิดว่าอยากจะให้คนตายนี่มีเสื้อผ้าสวยๆงามๆใส่ก็เลยซื้อเสือเส้อผ้าซื้อผ้าสวยผ้าถวายผ้ า, ผาเป็น เป็นการส่งเสื้อผ้าให้คนตายไปบางคนอยากให้คนตายอยู่ดีกินดีก็ไปสร้างอุญติดีๆให้พระอยู่ก็มีถวายอาหารถวายถวายอาหารใส่บาตรอะไรอาหารดีๆให้กับพระอันนี้เขาก็มีอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อแต่ไม่เป็นความจริงหรอกความจริงก็คือการถวายปัจจัยสิเราก็ต้องดูว่าท่านขาดแคลนอะไรใช่ไหมถ้าท่านมีสมบูรณ์แล้วก็อย่าก็าไม่ต้องไปถวายถวายอย่าง อ, างอื่นที่ท่านขาดแคลนก็ได้ ทางวันอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายหรือเป็นการนา้ำค่าไฟค่าการบำรุงซ่อมแซมบำรุงตาวาลวัถตถุต่างๆอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จำเป็นแต่คนไม่รู้าทีไปถึงไว้ก็ถอยแต่ผ้าดตายพ้าตายบางคนก็ถอยแต่สั่มทานประทา น, น, ม, ทานมันก็กลายเป็นของเต็มไปหมดที่ไม่ใช้ประโยชน์ไม่ได้ <c oughs> คุณสมพรครับถ้าเรายังมีความเครียดถึงขังมีความคับข้องใจต่อคนใดคนหนึ่งแสดงว่าเรายังเมตตามไม่พอต่อคนคนนั้นเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับใช่เรายังโกรธขาอยู่มันยังไม่อภัยขาไม่ได้ครับคุณพรพิมลครับวัดที่ไม่มีเมนเผาศพแต่มีการไถ่ชีวิตโคกระบือถือว่าเป็นวัดสายปฏิบัติเข้าใจถูกต้องไหมคะไม่ใช่หรอก เรื่องัดที่มีการปฏิบัติก็ต้องมีการปฏิบัติสิเรื่องการถ่ยถ่ายชีวิ ต, ตขอ้อกระเไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติก็ละเลือกกันส่วนใหญ่วัดปฏิบัตินี้จะไม่มีกิจกรรมอย่างอื่นนอกจากการปฏิบัติอย่างเดียวคุณสมพรครับบอกว่าการดูคลิปโปสต์ถือว่าเป็นการเสรกก ร, รมหรือเปล่าครับก็เป็นการเสก ร, รูปสิ่งกินรดยางไง คุณอนุสรขอโอกาสครับอริยะศัพท์สี่สามรอบแล้วมีอาการสิบสองหมายความเช่นไรครับขอความเมตตาครูบาอาจารย์ครับวันนี้เร า, ร า, ก, ร า, ราก็ไม่ทราบเหมือนกันตอบไม่ได้ถามรอบไม่ทราบไม่ตอบเครับครับผมคุณพัชรินครับกับเรียนถามพระอาจารย์หนูอยากทราบว่าหนูไปทำกรรมอะไรไว้ในชาติก่อนทำไมสามีลูกถึงเสียชีวิต ในอายุเพียง41ปีพ่อของหนูก็เสียชีวิตตอนนี้ 3.9 เป็นมรดกกรรมจากพ่อแม่หรือเปล่าแล้วหนูจะต้องตัดกรรมนี้ได้อย่างไรครับก็อย่าไปทำบาปพยายามทำบุญมากๆการทำบาปไม่ว่าจะแบบใดๆอย่งมันก็ส่งผลให้เราที่ที่ไม่ดีกับเราในในปัจจุบันแน่ๆนาคนได้ถ้าเราต้องการให้มีแต่ผลดีเกิดขึ้นกับเราก็พยายามทาบุญอย่าไปทำบาป คุณออนอนงค์ครับมีกรณีที่คนเข้าใจผิดบุคคลที่เรารู้จักคุณเคยและมีการกล่าวหาที่ไม่ถูกต้องเมื่อเราพยายามอธิบายสิ่งที่เป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเพื่อให้คนที่เข้าใจผิดมีความเข้าใจที่ถูกต้องปรากฏว่าเราถูกต่อว่าว่าเราไม่รู้จักวางจิตเป็นอุเบกขาพยายามไปแก้ต่างให้เขาทําไมจึงอยากเรียนถามอาจารย์ว่าการที่เราช่วยอธิบายข้อเท็จจริงที่ถูกต้องให้เขาฟังจะเรียกว่าเป็นการที่เราไม่วางจิตเป็นอุเบกขาตามที่เขาบอกหรือเปล่าหรือไม่ครับ มันไม่เกี่ยวกันนะเรื่องโอเบขาแล้เรื่องโอเบขาเรื่องของการเรื่องของการอธิบายทําความเข้าใจให้ถูกต้องมันก็เป็นเรื่องของของการกระทําอย่างนั้นเมื่อมันมนีถ้ามันมีเหตุที่เราจะต้องต้องอธิบายให้ให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเราก็ทําไปมีอเบค า, าไม่มีโอเบคาก็ต้องทำอย่างดีใช่ไหมแต่ถ้ามันไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปอธิบายเขาว่า แล้วก็ไม่ต้องอธิบายก็ได้ส่วนอุเบกขาก็บางทีมีอุเบกขาแต่เมื่อจําเป็นจะต้องอธิบายก็ต้องอธิบายไปแต่ถ้าคิดว่าอธิบายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรก็ถ้ามีอุเบกขาก็เฉยไปครับคุณเปิ้ลครับการฝึกตามดูเวทนาต้องทําอย่างไรคะตอนนี้ลูกเห็นว่าเราเป็นผู้รู้ผู้ดูเวลามีความสุขเกิดแล้วมันก็ดับ เจ้าขาเดี๋ยวมันก็เฉยเฉยเดี๋ยวก็ทุกข์เจ้าค่ะลูกต้องฝึกอย่างไรต่อไปคะก็น่าให้มันเจ็บเลยเวลาหน้าเราเจ็บก็อยับไปขยับดูไม่ถนัดดูความเจ็บเนี่ยว่ามันเป็นธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้ดับไปเราไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคัมันได้ก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นมาแล้วปล่อยให้มันตั้งอยู่แล้วปล่อยให้มันดับไปอยากไมยากให้มันดับขยาับมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอับอยู่กับมันไป หรือว่าเวลาที่เราเกิดโรคโรคไม่โรควัดขึ้นมาโรคไข้หวันใหญ่แล้วเกิดอาการปวดทั่วสปางร่างกายเนี่ยอันนี้ก็เป็นทุกขเวทนาก็ดูไปว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเนี่ยมันก็ต้องดับไปไม่ช้าก็เล็วขณะที่มันตั้งอยู่แล้วก็ละลายอยู่มันไปอย่าไปเกิดความอยาก ใ, ให้มันหายไปเท่านั้นเองเออพราะความอยากนี้จะทําให้เราเครียดทําให้เราทุกข์มากกว่าเดิม คุณอนานงค์ครับลูกขออนุญาตสอบถามพระอาจารย์เกี่ยวกับจิตค่ะมีความเห็นที่แตกต่างกันในสมาชิกครอบครัวเรื่องเกี่ยวกับจิตว่าจิตเป็นอมตะกับจิตไม่เป็นอมะตะลูกขออนุญาตขอความรู้ครับ อ, อ๋อจิตไม่นเป็นของไม่ตายเลยเพียงแต่ว่ามันมีสองชนิดจิต ท, ที่ไม่ตายจิต ท, ที่เป็นอมตะที่ที่บริสุทธิ์คือจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของพาระอรหันต์นั่นจิต ท, ที่ไม่มาเวียนว่ตายเกัด กับจิตที่ไม่บิกเสคือจิตของปุถุชนอย่างพวกเรานี่เป็นจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่มันไม่ตายจิตนั้นกันแต่ว่าจิตของพระพุทธเจ้าไม่เวียนว่ายตายเกิดแล้วครับคุณเดือนครับน้อมกับสาธุนัสการพระอาจารย์โยมปฏิบัติธรรมอยู่มีเหตุเงินหายมีคนเทเงินในออมสินโยมไปแล้วโทษคนเขาว่าเขาเอาอันนี้ผิดศีล เต็มเลยไหมคะแต่พอรู้ว่าตัวว่าโทษคนอื่นแล้วผิดแต่โยมกราบขอขอมานะวันนั้นเลยและแบบนี้ไม่ติดบาปเลยหรือเปล่าครับเลยการไปว่าไปกล่าวโทษเขาถ้ามันเป็นความจริงมันก็ไม่บาปนะมันก็พูดตามความจริงถ้าไปกล่าวโทษเขาแล้วมันเป็นความจริงมันก็บาปพ้อนนะเราไปพูดความไม่จริงเนถ้าเราไม่มั่นใจเราก็อย่าไม่ต้องไปพูดดีกว่าเฉยๆไว้ล้วย นอกจากว่าถ้ามีการจําเป็นจะต้องกล่าวทั่วเพื่อเพื่อที่จะไปแจ้งความอย่างนี้ถ้าถ้าอยากจะเอาโทษเขาก็ก็ไปแจ้งความกล่าวโทษได้ส่วนจะผิดหรือถูกเขาต้องพิสูจน์ด้วยกทีหนึ่งว่ามันจริงหไม่จริงคุณเข็มจุธาครับตอนนั่งสมาธิถ้าดูลมหายใจจนลมหายใจไปแล้วเราจะดูอะไรต่อครับก็ดูความว่างเปล่ ดูความว่าแล้วก็ดูว่าเราคิดหรือไม่คิดถ้าคิดก็หยุดบัญญาอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันอยู่กับความว่างไปคุณนพดลครับสติสัมปชัญญะกับสติอัตโนมัติเป็นแบบเดียวกันไหมครับก็คิดว่าใช้ความหมายเดียวกันอัตโนมัติก็คือมีสติอย่างต่อเนื่องตอนที่เราไม่ต้องคอยผลกดดันมัมนนาฬกาสมัยก่อนในนาฬิกายุ้างนันๆก็หมา ก็ต้องต้องขายล้านทุกวันนะเพราะมันยังไม่มีอัตโนมัติต่อมามีคนคิดคนวิธีทําให้นายการมันขายล้านของมันเองได้ก็รายการเป็นนาฬกาอัตโนมัติสติก็แบบเดียวกันสติเมือ้องต้นก็เป็นสติลบบขายลานต้องคอยตั้งคอยคอยบังค้ามันอยู่เรื่อยๆแต่พอตั้งไปเรื่อยๆบังคับมันไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเป็นสติอัตโนมัติขึ้นมาสติที่ต่อเนื่องไม่หลงไ ม, ลไม่เลยไม่เผลอ ยังทันเห็นอยู่ครับอาจารย์อไะไรกาไขลานเคยเห็นอยู่ครับ ค, คุณสุภาพรณ์ครับเมื่อทําสมาธิจิตนิ่งสงบอยู่กับผู้รู้และเมื่อออกจากสมาธิให้ทําปัญหาอย่างไรเจ้าค่ะขอความเมตตาคับให้ทําปัญญามากกว่านนะก็พิจารณาร่างกายเราก่อนเลยพิจารณาว่าร่างกายเรานี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย แล้วถามตัวเราเองว่าเราจะทุกข์กับมันไหมเวลาที่มันแก่มันเจ็บมันตายถ้ามันยังทุกข์อยู่ก็แสดงว่าเรายังปล่อยวางร่างกายไม่ได้เรายังยังไม่ยอมรับความจริงเราก็ต้องพยายามสอนใจให้รับความจริงถ้าไม่อยากจะทุกข์พอาะถ้าเรารับความจริงได้ยอมให้ร่างกายแก่ให้ร่างกายเจ็บให้ร่างกายตายได้เราก็จะอยู่อย่างไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายได้ เวลาไปหาหมอหมอว่าเป็นมะเร็งแล้วก็จะเฉยได้ครับคุณอนันท์นครับการที่ในระหว่างวันเราจเจริญคำว่าพุโทโธอยู่ตลอดตลอดโดยในขณะที่เราจเจริญพุโทโธพุโทโธสังเกตตัวลูกเองจะไม่มีความคิดเรื่องอื่นในขณะที่มีการจเจริญพุโทโธในระหว่างวันการที่เราจเจริญพุโทโธแบบนี้แม้ในระหว่างวันที่เราทำงานก็สามารถทำได้ด้วยใช่ไหมคะและการที่เราไม่ไปคิดเรื่องอื่นคือจิต อยู่กับพุทโธคือลูกมีความรู้สึกแบบว่างๆเหมือนไม่คิดไม่เอามาเป็นอารมณ์เป็นสิ่งที่ดําเนินมาถูกต้องแล้วหรือไม่คะถูกต้องแล้วเนวิธีปฏิบัติของพุทโธก็จะได้อย่างนี้จะทําให้เราไม่มีความคิดแต่เมื่อมายความ่าเราคิดไม่ได้ถ้าเราไม่ความจําเป็นจะต้องคิดเราคิดได้ถ้าเราเวลาทํางานเราต้องใช้ความคิดแล้วก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราไม่ต้องมีความใช้ความจําเป็นจะต้องใช้ความคิดแล้วก็หยุดมันใช้พุทโธหยุดมัน ทำใจให้ว่างๆเพราะความใจว่างนี่มันจะทําให้เรารู้สึกสบายมากกว่าใจที่วุ่นวายใจที่มีเรื่องไม่ราบรื่นคุณพัชรินครับก่อนตายเราควรวางจิตยอย่างไรถึงจะไปดีครับวางจิตให้สงบไปปล่อยวางร่างกายคุณจันทนาบอกว่าพ่นยารักษาเชื้อราในทุเรียนบาปไหมคะถ้ามัน ไม่ทราบชื่อรานนี่ถือว่าเป็นสัตว์หรไม่เพราะว่าสัตว์มันต้องมีมีวิญญาณมีดวงวิญญาณถ้ามันเป็นเป็นสัตว์ที่มีดวงวิญญาณมีจิตด้วยมันก็บาปถ้ามันเป็นถ้าเป็นเชื่อราเนี่ยไม่ทราบมันเป็นมันเป็นมันเป็นเชื่อโลกก็บาปไม่ทราบเชื่อโลกมันไม่มีดวงวิญญาณไม่มไม่มีจิตใจเก็ไม่บาป คุณวีโวครับทำบุญกับทำทานผลที่เราได้รับเหมือนกันไหมครับครับเป็นอันเดียวกันนเพืเป็นศัพท์ภาษาความจริงแล้วเป็นการทำทานนั่นแหละแต่เรามามามามาแบ่ว่าถ้าเราทำบุญกับวัดทำบุญกับพระเราเรียกว่าเราทำบุญเวลาแต่เราทำกับคนอื่นเราเรียกว่าทำทานแต่ความจริมันเป็นการให้เหมือนกันการเสียสละแบ่งปันเหมือนกันผลก็คือบุญคือความเอี่มใจสุขใจเหมือนกัน คุณเดือนดาวครับพระอาจารย์เจ้าค้าโยมมีเหตุโยมไล่สา ม, มีออกจากบ้านทางที่โยมสงสายเขาเ ข, ข, ขากินเหล้าไม่เปลี่ยนนิสัยชอบทําให้ครอบครัวลําบากใจครั้งโยมไล่เขาออกไปแบบนี้บาปใหม่เจ้าคะแต่พอโยมแต่พอเขาไปโยมเกิดอาการสงสารเขามากอยากคืนดีกับเขาแต่พ่อแม่คืนดีหนูต้องทํำยังไงคะก็มันก็ไม่บาปหรอกเพราะว่าถ้าเขาอยู่แล้วเขาสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับเรา เราก็ต้องขอให้เขาเข้าไปอยู่ที่อื่นท่านั้นเองอพราะเหมือนกับว่าเรามีสัตว์ร้ายอยู่ในบ้านแล้วก็รับจับมันออกไปข้างนอกใช่ไหมถ้ามีงูมีอะไรเข้ามาอยู่ในบ้านเราก็ต้องจับมันไปปล่อยที่อื่นคนที่อยู่ในบ้านถ้ามาสร้างความเสียหายให้ถึงมากกว่คนอื่นทำลายความสงบสุขมันก็ต้องจัดการอยู่เขาตามวิธีการแต่ไม่ไม่ไปทําร้ายเขาท่านันเองอย่าไปทําร้ายเาัา ก็เชิญเขาเลือกไล่ของเขา แ, แต่ขอให้เขาอย่าอยู่กับเราอีกต่อไปส่วนการจะมีเวรกรร ม, มไม่อันนี้ก็อยู่ที่เขาถ้าเขาโกรธเราเกลียดเราเขาอาจจะจองเวกรกัเราก็ได้ส่วนเรื่องที่อยากจะให้ ก, กลับมาก็ต้องคิดถึงกลับมาแล้วเดี๋ยวก็เจอปัญหาเดิมคุณยินดีที่จะเจอกับปัญหาเดิมไหมหรือเปล่าคุณชัยอนันต์ครับ พระสอนให้ละการอยู่เป็นหมู่คณะหรือไม่ครับและถ้าหากสอนให้ละเราละเพื่ออะไรในเมื่อมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมครับคือให้ละในช่วงที่ปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้เกิดผลมันรู้มักผลในพานนี้มักจะต้องไปปลีกวบเวงมาอยู่คนเดียวแต่เบื้องต้นก่อนที่เราจะไปเปลีวบเวงได้เราก็ต้องอยู่เป็นอยู่ร่วมกับครูบาอาจารย์เรียนรู้วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องครับ เหมืนเหมืนเหมือนปโรงเรียนต้องไปฝึกเรียนก่อนเรียนแล้วค่อยออกไปปฏิบัติการเหมือนหมอใช่ไหมหมอตอนต้นก็เรียนในแบบอะไรเรียนวิชาการต่างๆพอพร้อมที่จะออกไปปฏิบัติการก็ส่งไปอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆอันนี้ก็แบบเดียวกันเป็นภาพเบื้องต้นก็ต้องศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนแล้วคนที่ไปศึกษาครูบาอาจารย์ก็ไม่ใช่เราคนเดียวก็มีภาพรูปอื่อนด้ว ย, ยงั้นตอนต้นเนี่ยมันก็จะอยู่การเป็นหมอเป็นคณะ ตามวัดต่างๆพอเราได้เริ่มศึกษาได้ปฏิบัติแล้วเราอห็นว่าเราย่ต้องการที่จะไปเปรียบไม่เวฆเพื่อจะไปทําข้อสอบต่างๆเพราะฉ น, นั้นเราก็ขออนุ ญ, ญาตคุณอาจารย์ขอไปเปเรียบไมเวฆซึ่งส่วนใหญ่ท่านอาจารย์อนุ ญ, ญาตหลังจากที่พน 5, ้นห้าพรรษาไปแล้วถ้ายังไม่ได้ห้าพรรษานี้ท่านยังถือว่ายังยั ง, ย, งยังอ่อนไปยังไม่แก่งก้าพอที่จะไปอยู่คนเดียวได้ท่านก็จะไม่ปล่อยให้ไป คุณแนนครับการทํางานที่ยึดความถูกต้องแต่ไปการไปผิดใจกับเพื่อนร่วม ง, งานทําให้เกิดความไม่สบายใจเท่าที่รู้มาไม่สบายใจจะมากับการทํากรรมไม่ดีการทําตามหลักกรรมการเหตุดใดยังทุกอยู่เราควรวิธีวางใจอย่างไรครับก็เพราะเราอยากให้เขาอยากให้เขายินดีกับการกระทําของเราแต่เขาไม่ยินดีเราก็เลยไม่สบายใจอันนี้ก็เป็นเกลืของเราเราไม่สบายใจเกิดจากความอยาก อยากให้เพื่อนเพื่อนร่วมงานเข้าใจแล้วแล้วไม่โกรธเราแต่เขาไม่เข้าใจแล้ ว, ลวลเราโกรธเราเราก็เลยไม่สบายใจแต่ถ้าเราไม่มีความอยากให้เขาเข้าใจเราเราไม่มีความอยากให้เขาไม่โกรธเราเราก็เฉยเฉยไปเขาไม่พอใจกันเลยของเขาไปคุณประพาพรครับปัจจุบันนั่งสมาธิโดยนับลมหายใจเข้าพุทธออก นับหนึ่งถึงร้อยโดยในระหว่างวันเวลาว่างจะนับหนึ่งสองสามไปเองโดยอัตโนมัติแบบนี้เรียกว่ามีสมาธิได้ไหมครับเบื้องต้นท้าใจเรายัางไม่ยังมักแวาอยู่ยังชอบไปคิดโน้นคิดนีอยูแ่แล้วการนับที่ช่วยทําให้ใจเราไม่ไปคิดได้ก็ก็ใช้ได้แต่อย่างไปไม่ถึงถึงดวงดาวถ้าอยากจะไปถึงดวงดาวถึงถึงระยะหนึ่งเราต้องหยุดหยุดนับแล้วก็พูดโธ้เฉยๆไปให้อยู่กับพูดโธไปอย่างเดียวจิตถึงจะรวมเข้าไปได้ ทังดาวนโหลเข้าสก่คำาจังอวะได้อย่างเต็มที่คําถามจะตีให้กับคพระอาจารย์ครับหนูสวดมนต์เช้าเย็นแต่สวดบ้างไม่สวดบ้างแบบนี้จะบาปไหมเจ้าค่ะก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนั่นเองมันทํางานทํางานทําบ้างไม่ได้บ้างรายได้ก็จะไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่สล่ำสมอเวลาทำก็ได้เวลาไม่ทำก็ไม่ได้ไม่บาปหรอกจะไม่ได้ผลุนเลย มีคุณปุ้ยรายงานผลนิดนึงครับอาจารย์ครับก่อนไปทํางาน15นาทีร่างกายนักศึกษาการอาจารย์ก่อนไปทํางานนั่ง15นาทีร่างกายไม่ทรมานจิตใจสงบแต่วันอยู่จะนั่ง45นาทีสังขารจะเริ่มปวดค่ะช่วงนี้ฝึกใจให้เข้าใจความเจ็บเราควรจะเริ่มดูเเป็นคาถามเราควรจะเริ่มดูยังไงให้เป็นวิปัสสนาคะก็ดูว่ามันเป็นธรรมชาติที่เราควบคุมมันครับไม่ได้มันดินฟ้าอากาศฝนจะตกเราบ้ามันไม่ได้ก็ปล่อยมันตกไป เมตนามันจะปรากฏขึ้นมาก็ปล่อยมันปรากฏขึ้นไปล้วอย่าประยากให้มันหายแล้วใจเราก็จะไม่ถูกครับอาจารย์ครับวันนี้ใน Facebook มีเพื่อนๆฟังอยู่ห้าร้อยห้าสิบเจ็ดคนใน y o u t u ห้านะร้อยสามคนในขาสิบห้าคนรวมกันหนึ่งพันกเจ็สิบห้าคนครับอาจารย์ครับช่วงนี้หายไปเยอะนะบ้ากระเดนรักคนก่ายนะ <laughs> นนถ้าไม่เป็นไรก็เป็นเรื่องของนิจจัน์เป็นเรื่องธรรมดา เึ้นไม่ลเป็นธรรมดาก็ออยินดีกับทุกท่านที่เข้ามาฟังเทศน์ธรรมสันนาธรรมมวังว่าคงจะได้เกิดประโยชน์บ้างไม่มากขน้อยนั่นทำให้ชีวิตของท่านมีความสุขมากขึ้นมีความทุกข์น้อยลงการแสดงการสันนาร์การสันนาธรรมธรรมคืนนี้ก็คิดว่ากเหมาะสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญข้าวหน้าในธรรมยิ่งยขึ้นไปเท่า สาธุถ้า ข, ขอลาคุณหมอไปเถอนนหวังว่าคราวหน้าพบกันคงจะหายจากไข้หวัด น, นะ <c oughs> ขอบคุณครับอาจารย์ครับขอเจอเริญท่นครับขอบคุณครับ